เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองปรากฏขึ้นแล้วนะบัดนี้รายการนี้เป็นรายการที่อาตมาบรเลงอยู่คนเดียวและท้ายรายการครึ่งหนึ่งของรายการก็จะมีการโอภาปรายกับท่านผู้ชมทางบ้าน หรือผู้ชมในนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะส่งข้อความประเด็นต่างๆเข้ามาคุยกันโดยไม่ใช่เปิดโอกาสให้มาพูดแสดงตัวถามคุยอย่างที่บางรายการเขาทำเราจะใช้ประเด็นหรือคำถามหรือคำพูดคำคุยแห้งๆจากผู้ที่เขียนมาส่งประเด็นเข้ามา วันนี้วันอังคารวันอังคารที่เก้าโอ้วันอังคารที่สองข้อไปไปไปคิดถึงอแรมวันแรมเก้าคำวันอังคารที่สองแรมเก้าคำวันอังคารที่สองกรกฎาคมสองพันหน้าร้ห้าสิบหกทักกันเคลียวเลยนะบอกว่าวันวันอที่ยเก้าเร่งวันเร่งคืนมากเกินไปนะ ถ้าคนที่เขาเองเขามีไรายได้เงินเดือนอะไร <usc ant> เขาเร่งวัน <c oughs> เร่งคืนก็ว่าไปเนาะ <c oughs> แต่พวกเราไม่มีไรายได้เงินเดือนนี่มันเอ๊ะน <gear> ่าจะไปเร่งวันเร่งคืนอะไรเนาะอาตมานี่ไม่เร่งวันเร่งคืนเลยมีแต่บน่นว่าทให้มันเร็วนกักมันเร็วนักวันเวลาไม่ได้ไปเร่งเลยจะบอคุณเลยแต่ทําไมมันเร็วจังเดี๋ยววันเดี๋ยววันเดี๋ยววันแก่ไม่ทันเลยทุกวันเนี้ยเเอนี่วันเดี๋ยววันแก่ไม่ทัน อาวในการก็เป็นเช่นนั้นนะคืออาตมาบรรเลงไปคนเดียวเครื่องรายการแล้วเครื่องรายการหลังก็ตอบประเด็นผู้จะส่งประเด็นเข้ามาก็เชิญส่งเข้ามาได้ตามตามหมายเลขโทรศัพท์เต่ขึ้นหน้าจอแล้วผู้ที่ไม่ได้ฟังจากไม่ได้ดูจากโทรทัศน์ก็ฟังเสียงจากวิทยุเป็นต้นพอเราออกทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์มีทั้งสองอย่าง ก็บอกเบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งประเด็นเข้ามาแล้วกันตามธรรมเนียมเบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งเข้ามาได้มีอยู่สองหมายเลขคือ0885859115กับ0885859116อ่าสองหมายเลขด้วยกันอ้าวทวนอีกทีหนึ่ง 0885859115กับ0885859116นะอ้าวทีนี้ก็มาว่ากันด้วยรายการที่จะพูดจะสาธยายกันสหรับวันนี้สาหรับวันนีอ้อาตมาได้เ ต, ตรียมแต่ว่าเตรียมก็เตรียม เรียมก็คือได้รับ s อ s เอมเอสของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าซึ่งสุ่มไม่ไม่ส่งมาหลายวันวานนี้ส่งมาสะ3สามหน้ากระดาษหน้าสามหน้ากระดาษนเอซี AC นะเอามาเรียงกันแล้วนะข้อความต่างๆมาไล่เรียงกันเต็มต่อกันไม่ใช่ว่า เป็นข้อๆแล้วเราก็เรี่ยงกันไปอีกถ้าถ้าเรี่ยงงั้นเกินสี่หน้ากระดาษนี่จับมาเลียงกันหมดแล้วได้สามหน้ากระดาษไม่ถึงสามดีหรอกอสองหน้ากระดาษกับเศษหนึ่งส่วนสามเอ้ยเศษสามส่วนหนึ่งเอ้ยไม่ใช่เศษสามส่วสี่เศษสามส่วนสี่ของหน้ากระดาษประมาณนั้นนีซึ่งอตามาเห็นแล้วก็เออก็น่าจะได้เอาประเด็นที่คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้า ที่แสดงออกเนี่ยมาขยายความกันมาอธิบายกันเพราะความเห็นอย่างคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้านี่แหละอาตมาเข้าใจเอาเองนะคนอื่นจะเข้าใจเห็นตามหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้แหละเป็นความเห็นเป็นความรู้ที่รู้อย่างคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้านี่ทั่วไปรู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้วศาสาศนาพูธเป็นอย่างเนี้เป็นอย่างที่คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้า แสดงออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังหมดเลยแล้วอัตมาจะค่อยมาทวนแล้วก็มาอธิบายตามที่อัตมาเห็นว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าความเห็นนีข้ของใครของมันไงอัตมาบอกว่าไม่ถกไม่เฉียงแต่แสดงความเห็นที่มันไม่เหมือนกันได้มสีสิทธิ์สิิทธตามกฎหมายประชาธิปไตยก็แสดงได้แม้ไม่สิทธิตามกฎหมายเอมันก็แสดงได้อยู่แล้วเพราะมันจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายไป ตีลานันแทงไปฆ่าไปแกงอะไรกันไปล้มลางอะไรกันก็ไม่ใช่มันเป็นการแสดงความเห็นเท่านั้นนะส่วนใครจะเห็นด้วยเห็นตามหรือไม่เห็นด้วยไม่เห็นตามนั่นเป็นสิทธิอิสระเสรีภาพของแต่ละบุคคลนะไม่มีปัญหาอะไรอนะก็ลองฟังดูนะตั้งใจฟังต่อมาจะอ่านไม่เร็วนักจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไระนะสองสามหน้ากพอไปได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ค่อยอัตมาจะพูดนะแก้ความไปตามที่พระพุทธเจ้าจะสอนเราว่า ถ้าอันใดมีที่เราจริงเราก็ว่าจริงอะไรไม่มีที่เราไม่มีอย่างนั้นในเราเราก็ว่าไม่มีเราก็บอกไม่จริงไม่มีก็บอกไปตามตรงอะไรจริงไม่จริงก็ตามก็บอกไปตามจริงถ้ายิ่งจะให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าคนอื่นมาว่าเราอย่างนั้นแต่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ท่านะแก้เลยจงแก้ให้คนอื่นเข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่ว่านั้นเราเป็นอย่างที่เป็นอย่างนี้เราก็บอกเขาไปจะได้ไม่เข้าใจผิด นี่ก็คือการบอกความจริงกันไม่ได้ เ, เป็นการแก้ตัวไม่ได้เป็นการถกเถียงไม่ได้เป็นการทะเลาะบอกแหวงอะไรเพราะทุกคนมีอิสระเสรีภาพทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฟังคิดรับหรือไม่รับตามอิสระของใครของมันนะลองฟังดูนะก่อนที่จะฟังอของคุณแปดเจศูนย์ห้าก็มีของคนอื่นๆบ้างอาจมาก็จะอ่านของคนอื่นๆก่อนซึ่งไม่อ่านไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มากเท่าไหร่หรอก พราะว่าก็เลือกอ่านที่พออุกคลอ่านอันอื่นจะชมเชยหรือว่าจะไม่เป็นการไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องอ่านออกไปก็ได้ก็ไม่อ่านนะคุณสี่เก้าเจ็ดเก้าบอกว่าการกําหนดจิตนะการกําหนดจิตในโมเล็บระหว่างระหว่างที่จะเกิดจากความขาดศูนย์กำหนดจิตที่จะเกิดจากระหว่างที่จะเกิดจากความขาดศูนย์ก็คือ จะความขาดศูนย์ในระหว่างจะเกิดกําลังกําหนดจิตตอนะระหว่างจะเกิดความขาดศูนย์ก็คือระหว่างที่กําลังจะตายเพราะงั้นระหว่างที่ความยังจะตายเหือนกับแสงที่มันค่อยๆ ร, รีลงรีลงรีลงอะไรเนี้ยแล้วก็ดับบุบแต่ก็ยังเป็นผู้รักษาจิตนั้นในวงเล็บด้วยสติต่อเนื่องอยังรักษาจิตนั้นด้วยสติต่อเนื่องให้ทรงอยู่ตลอด โดยไม่เคลื่อนไปจากสติเลยเพราะไม่เอาสติไปรับรู้อาการมันไม่เอาสติไปรับรู้อาการมันอาการมันไหนไม่รับรู้อาการมันไหนก็สติมันก็กำหนดรู้อยู่ไม่ไปกำหนดรู้อาการมันอาการอะไรอาการมันไม่เอาสติไปรับรู้อาการมันในวัคือเหตุมันจะเป็นไปได้หรือไม่เหตุไม่ไปรู้เหตุ มันจะเป็นไปได้หรือไม่คิดแบบนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิไหมครับเพราะทุกคนยังไม่เคยตายนะพูดมาเนี่ยพูดมายัางก็เคยตายแล้วเนาะเพราะทุกค น, น ย, ยังไม่เคยตายตอบยากวันนี้เปิดแต่ผมเคยมีประสบการณ์อยู่บ้างเป็นแค่อาการที่เคยเกิดขึ้นนะยังไม่ได้ตายดอก เป็นแค่อาการอยแาบที่ประสบการณ์ที่เป็นแค่อาการอาการนะ่ะที่เคยเกิดแต่ยังไม่ถึงตายจริงๆกลัวความคิดตนจะเป็นมิจฉาทิฐิก็ช่วยอธิบายข้อกล่าวนมัสการาอาการกำหนดจิตระหว่างที่ก่อนจะขาดศูนย์ก่อนจะตายเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดอื่นก็ได้เราก็คิดแต่เพียงว่า อ่าเราก็วางใจปร่งใจอ่ะนะจะตายจะเกิดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันถึงวาระจะต้องตายจะต้องสิ้นอ่ามันจะต้องสิ้นชีวิตจะต้องขัดดับขันไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นถ้าเรายิ่งวางใจแล้วเราก็จะปล่อยไปให้ขาดศูนย์เนี่ยอ่าโดยที่เราจะตั้งสติให้มีสติต่อเนื่องเพื่อที่จะรู้เลยว่ามันจะขาดเมื่อไหร่ จะศูนย์จะตัดจะอะไรเมื่อไหรเนี่ยถามมาว่าจะทําอย่างนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่และการคิดแบบนี้จะเป็นมิจฉาทิฏฐิไหมอ่าก็พยายามเก่งความเก่งความคิดเนะ่ยเก่งความเข้าใจว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมาถามอัตมาอัตมาก็ตอบเท่าที่อัตมามีภูมิที่จะตอบจริงๆนะว่าอัตมาเองอัตมา มันไม่รู้หรอกไม่รู้เคยตายตายมาหลายชาติแล้วนี่เคยตายแนย่แล้วก็จําไม่ได้แล้วก็รู้ไม่ได้ว่าเอะเราเคยตายก่อนตายทุกๆตอนก่อนตายมันเป็นยังไงเราระลึกไม่ได้จําไม่ได้น่ะใครรู้ได้จําได้ก็ลองดูเอามาเล่าสู่กันฟังบ้างก็กดีถ้าแปลว่าเป็นจริง ถ้าโกหกมันก็โกหกแหละแต่ถ้าไม่โกหกเรารู้ว่าจริงๆมันเป็นได้ได้จำได้คิดได้อะไรได้จริงๆก็ลองมาเล่าสู่คนฟังจะอาตมาจำไม่ได้รู้ไม่ได้ลองจะให้ตอบว่าจะให้มันจะเป็นอย่างไรตอบไม่ได้แต่ถ้าจะให้ตอบตามที่เรามีความเข้าใจเชื่อว่าจะเป็นใช้คำว่าเชื่อว่าจะเป็นคือการขาดระหว่างที่จะ ชีวิตหรือจิตวิญญาณของคนเนี่ยมันจะเปลี่ยนพบมันจะเปลี่ยนพบนี่นะอัตมาสังเกตจากการนั่งสมาธิเรานั่งสมาธิเราจะเปลี่ยนพบเช่นจะเปลี่ยนพบจากข้างนอกกามาพบเรานั่งหลับตาธรรมดาหลับไปเฉยเฉยเนี่ยมันยังไม่ตัดมันยังไม่ตัดพบข้างนอกเลยนี่นะเข้าไปสู่ข้างในโดยที่ข้างนอกหมดความรับสัมผัสหมดความรับรู้จกัก พัสสะข้างนอกตาของจมูกลิ้นกายไม่รู้เรื่องแล้วตัดแล้วเนี่ยไอีตอนที่มันจะตัดมาอย่างนั้นนะนาอาตมาเองสามารถทําได้ถึงขั้นว่าอาตมาจะทําเดี๋ยวนี้ตัดจึบเดี๋ยวนี้ในวินาทีสองวินาทีเดี๋ยวนี้ก็ทําได้นะอาตมาทําได้ตัดจึบเข้ามาโดยที่เรียกว่าในระยะที่มันสั้นมันใกล้ตัดเข้ามานี่มันพอรู้จะว่าไม่รู้เซะเลยกันม่ไดแต่มันก็เหมือนจัก ขาดจากพบหนึ่งมาสู่อีกพบหนึง่งมันจะไม่มีอะไรต่อเนื่องกันสนิททีเดียวมันจะขาดจากพบหนึ่งมาสู่พบหนึง่งเมือ่อมาสู่พบหนึ่งมาอยู่ข้างในแล้วเนี่ยเราถือว่าตัดพบเรา ม, มาเป็นองค์ของพบตัดองค์ของพบองค์กับพ บ, อ ข, อพบของกามาพบมาสู่รูประพบรูประพบเป็นภาวะพบข้างในทีนี้จากพบอย่างนั้นแล้วก็มามันยัง ถึงแม้ว่าเราเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเรายังสามารถรู้ข้างนอกอยู่บ้างนะตอนแรกๆเนี่ยแต่เราเข้าอยู่ในภพแหละมันจะมีชั้นตอนของความรู้สึกรู้สึกว่าเข้ามาอยู่ในภพอาตมาทําได้ภายในเป็นวินาทีเลยจะวินาทีสองวินาทีสามนี่จะตัดปบเข้ามาได้แล้วอ่าอย่างคนที่เขานั่งสมาธิเขาจะตัดเข้าไปในภพข้างในนี้มันยังไม่เป็นฌานยังไม่เป็นยังไม่หมดนิวรณ์นะมันยังมีนิวรณ์อยู่ก็าตาม เขาจะตัดรู้สึกว่าตัดพบเข้ามาเนี่เขาใช้เวลานานกันจะมีใครได้เร็วกว่าอาตมาก็ไม่รู้ได้แหละแต่อาตมาทําของตนเองสําได้อย่างที่กล่าวทีนี้จิตถ้าผู้ที่ยังมีนิวรณ์อยู่เข้ามาในพบมันก็จะมีนิวรณ์ต่อไปส่วนผู้ที่ไม่มีนิวรณ์แล้วยังขออภัยยังอาตมาอาตมาตัดพบเข้ามามันก็ไม่มีนิวรณ์เพราะว่าอาตมาไม่ได้ไปไปเกี่ยวก้อมันปเป็นเจโตสมทุทละเท่ททานั้นตัดเข้ามาในพบ เรียกว่าองค์เนยพบหรือผวังตัดขามาสุผวังมันก็อยู่ไม่มีอะไรองว่าและมันก็เป็นความรู้สึกเมื่อเราไม่รับรู้เลยข้างนอกตัดสนิทเลยไม่รับรู้ข้างในเลยขอไปไม่รับรู้ข้างนอกเลยแม้แต่ลมหายใจก็ตัดเลยอยู่ในผวังอยู่ในพบองค์พบข้างในอย่างเต็มที่ ข้างนอกเราไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นตาก็ไม่รับรู้สึกลมาหายใจออกเข้าออกก็ไม่รู้ตัวแล้วเสียงไม่ได้ยินแน่นอน่รถรถ ท, ทั้งลิงกันแน่นอนอหู ป, ปากอยู่แล้วการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็ไม่รับรู้อะไระเราก็เข้าไปอยู่ในนั้นตอนที่จะตัดจ็อธิบายแล้วเมื่อกี้ว่ามันมันรู้ตอนที่ตัดเข้ามาแต่ตอนที่จะตัดขาดเลยเนี่ยมันมันไม่รู้ว่ า, าขาดอย่างไร ม่นับรู้เลยเนี่ยเหมือนเรานอนหลับ เ, เราจะหลับไอตอนจะนอนแล้วก็จะหลับปุ๊บก็ไปตอนที่จะตัดพบเข้าไปสู่ความหลับนี่นะไม่รู้หรอกตอนไหนเรานับนาทีวินาทีนั้นมั น, ม, นมันนับไม่ได้แต่รู้พอสมควรว่าเออมันช่วงช่วงนี้เท่านั้นเนีประมาณได้แต่ว่ามันระหว่างต่อกันจริงๆมันไม่รู้หรอกทีนี้พอเข้าไปอยู่ในภวังแล้วนะ เราเป็นฌานเอาสมมุติว่ายังไม่เป็นฌานคนที่เป็นฌานก็จะรู้ก็ก็รู้ที่นี้รู้ตัวอยู่ในภพผวังรูปฌานหรือภพภาวะภพภาวะภพธรรมดารูปภพรูปภพกลางเนี่ยเราจะอ่านจิตของเราที่อาตมาผ่านมาก็สามารถรู้ได้อ่านจิตของเราว่ามันมีอาการนิวรณ์ไหมถ้าไม่มีนิวรณ์ตอนนั้นจิตของเราก็ว่างจากนิวรณ์เป็นฌาน นั่นเรเรียกว่าฌานอาการที่จะเป็นฌานนั้นเรากาหนดหมายกันด้วยเงื่อนไขว่าอาการนิวรณ์ห้าไม่มีไม่ใช่ตัดภบตัดพวังตัดองค์ของภพเท่านั้นเรียกว่าเป็นฌานไม่ใช่คนนอนหลับก็ตัดนะเข้าไปสู่ภวังแต่ไม่ใช่ฌานเลยฌานคือเอาประเด็นหลักคือไม่มีนิวรณในจิตใจ ใใจิตใจขณะที่ขณะที่เราอยู่ข้างในนั่นแหละซึ่งเราต้องรู้มีสติอ่านรู้ถ้าไม่มีสติอ่านรู้เราก็ไม่รู้ว่าเรามีมีนิวรณ์หรืไม่มีนิวรณ์มีกาวความปรุงปรุงด้วยกามปรุงด้วยพยาบาทหรือเปล่าก็ไม่รู้ดีไม่ดีตกทีนามิทะตกหลีหลับไปเลยกลายเป็นหลับมันไม่ใช่อยู่ในภาวะสติตื่นอยู่ในพบมันไม่ใช่ภาวะมีส ต, ติตื่นเต็มอยู่ในพบ เพราะถ้ามีสติตื่นเต็มแล้วก็มีสติสัพชัญญะสัพชาโนตรวจสอบจิตของเราได้ว่าอาการของวิวร น, นั้นอาการอย่างไรเราก็ต้องรู้อาการการเป็นเช่นนี้พยาบาทเป็นเช่นนี้ทินมิทักุกุ จ, จะหรือแม้แต่ว่าเรารู้อาการทางจิตของเราอย่างชัดเจนไม่สงสัยหลังเละเราก็จะอ่านออกแล้วก็จะรู้ตัวได้ว่าเราอยู่ในสภาวะของพบหนึ่งเลวาชาญ อ่าเป็นรูปฌปานรูปฌานในรูปภพทีนี้จะเปลี่ยนจากรูปฌานเป็นอรูปฌานอีกทีหนึง่งแล้วก็เหมือนกับเปลี่ยนภพเหมือนกันเมื่อที่ถามมาว่าก็ตายจากร่างกายนี้ไปพบอีกภพหนึ่งที่มันไม่ใช่มีกายอันนี้ก็เปลี่ยนภพเป็นอรูปภพอัตมาก็อาของตนเองพูดนี่แหละมันก็เหมือนกับเราหลุดภบออกไปเหมือนกันบรรยากาศมันจะต่างกัน มันจะแน่นมันจะมีความแน่นความทึบไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรมันจะมีอากาศความรู้สึกของเราต่างกันอารูปประพพมันจะเบาว่างกว่ากันเยอะเลยไอ้อตมาไม่เคยออกไปนอกโลกอวกาศเนาะเลยไม่รู้ว่าไอ้บรรยากาศข้างในนี้ตามที่เราเรียนมาเราไม่เคยไปแต่เราก็เรียนมาเนาะว่าอากาศนี่มีความแน่นกว่าอวกาศข้างนอกโลก มันเบาวางขวาแล้วตัวเราเนี่ยมันจะมีความถ่ว ง, งเฉพาะที่เบากว่าความแน่นควบแน่นของอวกาศเพราะมันจะลอยตัวแต่อยู่ในนี้มันไม่ลอยน้ําหนักมันจะมากจนเราถูกแรงดึงดูดของโลกดึงไว้ได้แล้วไม่ลอยแต่ออกไปข้างนอกนี่มันลอยนะเราก็ได้เดาเท่านั้นเองเพราะเราไม่ได้เคยออกไปออกนอกโลกอวกาศแต่แล้วก็เห็นนะน้องเขาถ่ายภาพเขาทำอะไรไม่ดูคือแม้แต่ข้างในนี้เขาทาบรรยากาศความ แน่นกับบรรยากาศมันต่างกันเขาก็รอยอยู่ในนี้ให้ดูได้หรือผู้ใดเคยรอจอาตมาไม่เคยไปรอยคล้ายๆกันที่อาตมาอธิบายคล้ายๆกับว่าเราออกไปอีกพบหนึ่งอรูปภพช่วงที่ทคุณถามมาว่ามันจะทจําใจยังไงต่ อ, อยังไงทําได้แต่สติเวลาทํานั้นถ้าเราออกจากรูปภพไปเข้าอรูปภพนี่นะมันพอรวัวมันหลุปึ่งออกไป เออมันรุดปึ้งอย่างที่เราเคยพูดกันหลายทีแล้วรุดปึงป้งออกไปเออมันรุดมันก็เป็นอีกพบหนึ่งทีนี้มันกลับมาตอบว่าอะไรตายเนี่ยจะเป็นอย่างไงไหมอาตมา ก, ก็บอกว่าอาตมาตอบไม่ได้จําไม่ได้นะก็อธิบายจะอย่างนี้ก็แล้วกันคุณกับประมาณเราเองก็แล้วกันต่อมาคุณสี่เก้าเจ็ดเก้าพูดดีว่าจิตว่างจากเหตุจิตว่างนองเหนือจากเหตุคือ ว่างจากความนึกคิดว่างจากความนึกคิดว่างจากความนึกคิดนี่ไม่ได้หมายความว่าว่างจากนิวรณ์นะคนละอย่างความนึกคิดนี่มีนิวรณ์นึกคิดได้หรือไม่มีนิวรณ์ไม่มีกามกิเลสไม่มีนิวรณ์แล้วไม่มีกามพยาบาทที่นัมิตาอุติจอะไรแล้วทั้งนิวรณ์หน้าไม่มีแล้วก็ตามก็นึกคิดได้ จิตที่ว่างจากนิวรณ์ก็นึกคิดได้หรือแม้มีนิวรณ์ก็นึกคิดได้อนะเราบอกว่าจิตว่างจากเหตุคือว่างจากความนึกคิดทีนี้คุณไม่คิดไม่นึกเลยคุณว่างจากเหตุคือว่างจากนิวรณ์คุณก็ไม่คิดคุณไม่ว่างจากนิวรณ์คุณก็ไม่คิดจิตคุณมีนิวรณนิวรณ์อยู่คุณก็ไม่คิดนี่คุณถามมาจิตว่างจากเหตุคือว่างจากความนึกคิดว่างจากการปรุงแต่งไม่คิดไม่นึกอะไรเลยไม่ปรุงแต่งอะไรเลย ว่างจากสิ่งที่มีอยู่ในสมมติบัญญัตินี่คือนิโรธอริยสัพท์ทั้งสิ้นนี่นี่นี่คุณสี่ชุนสามเก้าคงตอบเองนะว่าอาการนี้คืออาการนิโรธนิโรธคือว่างจากความนึกคิดว่างจากการปรุงแต่งว่างจากสิ่งที่มีอยู่ที่เป็นสมมุติบัญญัติอย่างนี้คือนิโรธคุณสี่เก้า 7จ็ก้านี่ว่างั้นนี่เป็นนิยามของคุณ ว, ว่าว่างจากความนึกคิดว่างจากการปรุงแต่งว่างจากสิ่งที่มีอยู่ขออธิบายคา ว, าว่าว่างคาว่าปรุงแต่งความปรุงแต่งความปรุงแต่งในภาษาบาลีว่าสังขารเนสังขารการปรุงแต่งนี่ไอ้ความปรุงแต่งนี่นะมีกิเลสก็ปรุงแต่งได้ไม่มีกิเลสก็ปรุงแต่งได้นะ เพราะฉะนั้นจะว่างจากความปรุงแต่งเนี่ยจะไม่สามารถกำหนดได้ว่าเป็นนิโรธถ้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตปรุงแต่งอยู่แต่ไม่มีกิเลสเข้าไปร่วมปรุงแต่งนี่เรียกว่านิโรธของพระพุทธเจ้านะจิตปรุงแต่งอยู่คิดนึกอยู่ปรุงแต่งอยู่แต่จิตก็รู้ ตรวจจิตของเราได้ว่าจิตของเราไม่มีอาการกิเลสผสมร่วมในการปรุงแต่งนั้นเลยเรียกว่าพิสังขารสังขารอย่างยิ่งสังขารอย่างไม่ไม่ธรรมดาสาขายิ่งกว่าสามัญ น, นั่นคือการสังขารที่มีนิโรธส่วนนิโรธที่คนเข้าใจยังไม่ชัดเจนนั้นหนึ่งนิโรธดับไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่เข้าใจเป็นส่วนใหญ่เลยนะท่านนิโรธคือจิตไม่นึกไม่คิดอะไรเลยนิ่งเฉยไม่รู้อะไรเลย คุณพูดมาเนี่ยก็คลายว่างจากเคือว่างจากความนึกคิดว่างจากการปรุงแตง่งว่างจากสิ่งที่มีอยู่ก็คือจิตตอนนั้นไม่มีอะไรเลยว่างจากสมมติบัญญิคือว่างจากสมมติบัญญิทุกอย่างเลยไม่มีอะไรนิ่งดับนี่นิโรธส่วนใหญ่ที่เข้าใจกันคือดับจิตไม่รับรู้อะไรเลยว่างจากสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดคือไม่มีกลายเป็นจิตที่ไม่มีจิต ที่ไม่มีความรับรู้นั่นเองจิตที่ไม่มีความนึกคิดไม่มีการปรุงแตง่งไม่มีสิ่งที่มีอยู่อะไรเลยเราเรียกว่านิโรดนี่แหละคือความเข้าใจส่วนใหญ่ทั่วไปที่ขอขอพูดว่านี่ไม่ใช่นิโรธของพระพุทธเจ้าการอาตมาเข้าใจอย่างนั้นนะใครจะแยกจะเถียงไม่เถียงอาตมาเห็นอย่างนี้ส่วนคือจะยืนยันว่าอ น, นุของพระเจ้าก็ไม่เถียงคุณยึดถืออนั้นคุณเข้าใจเชื่อนั้นาเป็นปของพระพุทธเจ้าแต่อาตมายึดถืออันนี้ เข้าใจอันนี้ว่าเป็นของพระเจ้าคือนิโรดนี้ไม่ได้ดับความปรุงแต่งไม่ได้ดับความนึกคิดไม่ได้ดับสิ่งที่มีอยู่แต่ดับกิเลสที่เข้าไปสังขารปรุงแต่งร่วมในจิตของเรานี่มีการปรุงแต่งน้อะไรอยู่นึกคิดอะไรอยู่ได้แต่ไม่มีกิเลสเข้าไปปรุงร่วมด้วยเลยไม่มีเข้าไปปรุงร่วมด้วยเลยและก็ไม่ต้องจําเป็นจะต้องอยู่ในภวงังอยู่ในพวกข้างใน จะอยู่ในพักข้างในก็ได้มันก็คือไม่มีกิเลสเหมือนกันมีนิโรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของคําว่านิโรกของพระเจ้าคือไม่มีกิเลสนิรุโลกคือการดับกิเลสดับช่วงไหนตอนไหนขณะไหนก็ตาม ก, ก็คือนิรุโลกทั้งนั้นดับได้ยาวนานต่อเนื่องและครบสมบูรณ์หมดเลยก็นิรุโลกสมบูรณ์ดับกิเลสตัวนี้ได้กิเลสตัวนี้ไม่ปรุงก็นิโรกกิเลสตัวนี้นีเลขยกมิรุโลกในโลกอบายในภูมิอบายคุณกับ สัมผัสัมพัน์อยู่ก็โลกอบายคุณก็ไม่มีกิเลสไปปรุงแต่ร่วมกันนี้โล ก, ก, นน โ, ลกโลกอบายนั้นคุณก็มีนิโรธในกามโลกของกามมาพบก็มีนิโรธในกามกามไม่มีแล้วในโลกกามคุณหา้ตาต่างของจมูกเรื่องกายานี่เป็นต้นนะ่ะนิโรธคืออย่างนี้นะนี่เป็นความเห็นและความเข้าใจของอาตมาส่วนคนอื่นจะเข้าใจอะไรก็ว่าไปอาตมาไม่โถงไม่เถียงอาตมา ชี้แจงสิ่งที่อาตมาเข้าใจและเชื่อมั่นว่ามันอย่างนี้ถูกต้องอ ะ, อะไรไม่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหาอะไรก่อนจะได้อธิบายต่อไปอาตมาขอแทรกแสงอยู่ว่าอาตมาสแสดงทำหรือว่าทําอะไรอยู่เนี่ยสแสดงอย่างความเป็นคนจริงสแสดงความจริงมั่นใจว่าตนเองเป็นคนจริงไม่ได้เป็นคนหลอกและไม่ได้คนอําพรางห ล, ลอกลวงเสแสร้งไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นคนเช่นนั้นเป็นคนจริงสแสดงความจริงตามประสานี มั่นใจว่าเป็นคนกล้าแสดงความกล้าตามประษาแล้วก็มั่นใจว่าเป็นคนตรงแสดงความตรงตามประษาทีนี้อาตมาก็ให้ข้อคิดข้อสังเกตตั้งแต่เขียนหนังสือเล่มแรกคนคืออะไรทำไมสำคัญนักแล้วอยู่ในข้อเขียนตอนต้นๆของหนังสือเลยบอกว่าผู้รู้จริงเนี่ยผู้รู้จริงจะเห็นความผิด ของคนผิดเป็นความถูกแล้วผู้รู้จริงจะเห็นความผิดของคนผิดเนี่ยเป็นความถูกแล้วส่วนผู้ยังไม่รู้จริงเท่านั้นแหละที่จะเห็นความถูกของคนถูกเป็นความผิดอยู่เข้าใจไหมตัวนีท้ทีนึงก็ได้ผู้รู้จริง จะเห็นความผิดของคนผิดเป็นความถูกแล้วผู้รู้จริงจะเห็นความผิดของคนผิดนี่เป็นความถูกแล้วส่วนผู้ที่ยังไม่รู้จริงเท่านั้นแหละที่จะเห็นความถูกของคนถูกเนี่ยเป็นความผิดอยู่เพราะงั้นก็ตั้งใจฟังดูก็แล้วกัน อาตมา ก, ก็เปิดเผยแล้วกันปู่เขายืนยันว่าอาตมาเป็นเช่นนั้นว่าอาตมาเป็นคนเป็นคนจริงแสดงความจริงเป็นคนกล้าแสดงความกล้าและเป็นคนตรงแสดงความตรงไปตามประษาของเราอ่าทีนี้ต่อของคุณ4039อีกมีอีกสองข้อสามข้อความบอกว่าตอนฟังพ่อครูเทศรู้สึกเหมือนฟังด็อกเตอร์กําลังสอนเคมีฟิสิกส์โอโ้ฟังพ่อครูเทศนีย เหมือนกับฟังด็อกเตอร์กําลัง ส, สอนเคมีฟิสิกส์พอฟังอาจารย์ติศดาอธิบายเพิ่มเติมรู้สึกเหมือนฟังครูสอนสองบวกสองเท่ากับสี่เข้าใจชัดโปเชะเลยอ๋อยกจ้องให้อัตมาเป็นด็อกเตอร์สอนเคมีฟิสิกส์เพราะฉะนั้นคนฟังก็ อ, อกจะมึนๆยากๆเหมือนอัตมาฟังอาจารย์สตาง ฟังอาจารย์ธงสุขยิ่งอาจารย์สตางแล้วนี่ยังโป้สตางมงคลสุขอัตมานี่เรียนเอ่อเทอมิยาศาสตร์อัตมารเรียนวิทยาศสาสตร์นี่ดรสตางเนาะสอนดรธงสุขธงสัตดรสตาง ม, ง, มงคลสุขเป็นอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์อ่าที่รับนับถือกันโป้ยิ่งนะอัตมาไม่รู้เรื่องเลย เรียนแล้วก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอแต่มายังจำได้แม่นสอบที่ไรก็ได้สิบส่ว น, วนร้อยอเคมีการสตังตางานก็ตกไม่มีวันสอบได้เลยอ้าวก็ดีนะมีคนรู้สึกอย่างนั้นนะว่าเออน่าจะให้จะจากกฤษดาเนี่มา ร, มร่วมรายการมากๆเลยแล้วก็เลยบอกว่ากราบขออภัยพวกครูตอนมีบางอาจว่าท่านสอนบอดี ว่าไดนะท่านสอนดีแต่ตนหัวทืออดีตนักศึกษาเคยสอบวิชาเคมีตกสามสี่ครั้งอ่กว่าจะสอบซ่อมผ่านจึงเข้าใจยากกับคนอื่นน่าจะให้อาจารย์กฤษดาเป็นวิทยากรมาบรรยายทําคู่กับวกครู่ทุกครั้งที่เทศออกรายการอา่คงบวหลงไปบางพลัดอีกอตัวเองลงไม่บางพลัดแต่บรรลุถึงบางอ้ออา่าไม่ไปบางพลัดไปบางอ้อ เข้าใจแบบอิกคิวซันปิงครับพ้มว่าเงนินเอาเป็นการเป็นคำแนะนำที่ดีเอาไปพิจารณาอ า, อาจารย์กิตาดูฟังอยู่ก็คงจะเอาไปพิจารณาเองเพาเป็นไปได้ก็ลองดูเราก็คุยกันได้เอาที่นี้มาเข้าสู่คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าบังโอ้เวลาจะหมดนะนี่มันจะทันไหมเนี่ยสามนาเอาอ่านเลยคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้ามางี้เลย ครั้งหนึ่งพระอานนท์เดินตามเสด็จพุทธเจ้าขณะที่เสด็จผ่านตลาดพระอานนท์ได้เกิดความสงสัยขึ้นในใจจนเมื่อตามเสด็จกลับถึงวัดแล้วจึงได้เริ่มทูลถามว่าชัาง น, น่าอัศจรรย์ใจหนอที่ตะกี้เนี่ยพระองค์สามารถเสด็จผ่านตลาดอันเป็นที่อันแับแคบผ่านตลาดอันเป็ที่อันแคบแคบเพราะด้วยฝูงชน เป็นทียนคัแคบเพราะด้วยฝูงชนได้พุทธเจ้าจึงตรัสแกอานนท์นว่าเพราะกามเพราะกามชื่อว่าเป็นที่อันคับแคบกามเป็นที่อันคับแคบอัตมาเน้นนะแล้ววัยค่อยทวนมาพูดเวลาที่จะมาต่างคนต่างแสดงความเห็นนี้เขาแสดงความเห็นอ่านของเขาก่อน่ะเพราะกามชื่อว่าเป็นที่อันคับแคบตถาคตละ ตามได้แล้วจึงชื่อว่าผ่านที่อันคับแคบได้ซึ่งจากเรื่องในพระเถป็นดกนี้คนฟังอาจจะไม่ค่อยจะเข้าใจนักว่าที่พุทธเจ้ากับพระอานนท์สนทนากันนั้นมันหมายถึงอะไรกันแน่ฉะนั้นเพื่อช่วยไขยให้กระจ่างในเรื่องนี้นะโปรดกระจ่างให้เรื่องนี้นะคุณแปดจสิห้าก็เลยจึงอยากจะขอเล่าประสบการณ์ของเราให้ฟัง จะขอเล่าประสบการณ์วาเพื่อให้กระจ่างเอาของตนเองมาเล่าเลยคือเมื่อพศ .2526 ส, ส, สมัยที่เรายังเป็นปุถุชนอยู่สมัยที่เป็นปุถุชนนะและกำลังเดินอยู่ที่พระขนงพร้อมด้วยเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนกับเพื่อนคนหนึ่งโดยเพื่อนเดินนำหน้าและเราเดินตามติดๆมีจุดหมายที่จะขึ้นสะพานรอยเพื่อข้ามถนน แต่ก่อนที่เราทั้งสองจะเดินไปถึงสะพานลอยนั้นจูจูเพื่อนก็เอียงหน้ามาถามว่าตอนนี้ท่านเข้าใจคําว่าแยกน้ําแยกแผ่นดินนะเข้าใจว่าแยกน้ําแยกแผ่นดินหรื อ, อยังน่หันมาถามเอียงมาหน้ามาถามตอนนี้ท่านเข้าใจว่าแยกน้ําแยกแยกแผ่นดินคื อ, อยัง ที่ใช้คําแทนท่านท่านนี่ตอนนี้ท่านเข้าใจหรื อ, อยังนี่คงจะเป็นนักบวช ด, ด้วยกันเนาะคงเป็นแต่เป็นปุถุชนอยู่ตอนนั้นเป็นปุถุชนก็เป็นปุถุชนคงจะเป็นนักบวช ด, ด้วยกันเพราะใช้คําว่าท่านนะไม่งั้นก็ต้องเป็นเจ้าหมอมเจ้าขึ้นไปถึงเรียกท่านนะถ้าไม่เรียกหม่อมเจ้าขึ้นไปเป็นท่านหรือไม่ก็จะต้องเป็นสสขึ้นไปหรือเป็นรัฐมนตรีถึงเรียกท่านนะแยกน้ำแยกแผ่นดินหรื อ, อยัง ซึ่งเราเองขณะนั้นก็คิดว่าคําถามนี้น่าจะต้องมีคําตอบแน่แต่อัตมาเชื่อว่าเดานะว่าคงไม่ใช่รัฐมนตรีคงไม่ใช่สสและคงไม่ใช่หม่อมเจ้าขึ้นไปที่เรียกท่านนี้คงจะเป็นพระนะแต่ตอนนั้นบอกว่าตัวเองยังไม่เป็นยังเป็นปุถุชนแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วบอกแล้วบอกมาแล้วว่าเป็นอริยะนะต้องมีคําตอบได้แน่แต่ต้องทําจิตให้นิ่งซสก่อน อ่าคงจะมีคำตอบแน่แต่ว่าต้องทำใจ น, นิ่งซะก่อนก่อนจะตอบนะและฉับพลันนั่นเองน่พอคิดว่าจะตอบทำใจนิน่งฉับพลันนั่นเองเราก็รู้คําตอบพอบอกจะทำใจนิ่งฉับพลันก็รู้คําตอบจึงได้ตอบเพื่อนไปว่าอ๋อเข้าใจแล้วจากนั้นเราต้องสองก่อนเดินกันต่อไปและยังไม่ทันจะฆ่าจะไม่ไม่ทันจะถึงบันไดสะพานลอยเพื่อนก็หันมาถามอในวันนีเพื่อให้หายสงสัย เพื่อนกระทันหันเพื่อให้หายสงสัยอีกครั้งหนึ่งว่าที่ว่าเข้าใจนั้นเข้าใจอย่างไรเราก็ตอบไปทันทีเรนะาเรียบโดยไม่ต้องคิดนะตอบไปทันทีโดยไม่ต้องคิดว่านะไม่ต้องคิดเลยว่าก็มองน้ําทะลุน้ํามองดินทะลุดินฟังให้ดีนะสํานวนมากเลยนะอ่าเป็นเรื่องสํานวนนะอ่าซึ่งจะมาพิจารณาเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ได้เลยมันเป็น เหตุผลปรัชญาตร ก, กะเท่านั้นนะมองน้ําทะลุน้ํามองดินทะลุดิ น, น่ะเป็นตาทิพย์เลยนะมองน้ําทะลุน้ําก็ไปเห็นปลาก็ลองแหวกว่ายอยู่ในอกอปรทุมมาเลยนะอมองดินทะลุดินเมื่อเห็นเส้นเดือนก็ลังงกแงะตกดใต้ดินอ่ามองน้ําทะลุน้ำมองดินทะลุดินมองคนทะลุคนโอ้โหเห็นโครงกระดูกอย่างบ๊มบ๊มบ๊มเลยนะอันนี้เขาทำนั่งเขาเรียนกันนะ เรียนกันนั่งสมาธิเก่งชาเนี่ยพิจารณาคนให้ทะลุมันไม่มีอะไรหรอกมันแม้แต่เดิรูปน้ำมันมีแต่ดินน้ำไฟลมเากาะกลุ้มอยู่มีโครงกระดูกเท่านั้นนะรับร่างนี้ไว้เดินไปมีต่กะดูกเดินโอ้คนนี้เข้าถึงเลยนะลืมตาออกมานี่เห็นคนเดินมีตะโครกระดูกเดินยงยงยงยงย ง, ยงหมดเลยมีเลยนะเรียกว่ามโนโมย ต, ตาเห็นอย่างนั้นจริง มนเมตตาเห็นอย่างนั้นเลยเห็นโครงกระดูกเดินย่งย่องย่องยงไปเลยคนนี่มองทะลุยิ่งกว่าเอ็กซเรย์เลยอมองน้าทะลุน้ามองดินทะลุมองคนทะลุคนก็เพราะน้ำก็ไม่ใช่น้ำดินก็ไม่ใช่ดินคนก็ไม่ใช่คนไงละ่ะนี่คือภูมิปัญญาภูมิธรรมของคนคุณแปดเจศูนย์ห้าเนี่ยอธิบายถึงความมีภูมิธรรมต้องเป็นภูมิธรรมอย่างนี้ สิ่งแตแตกตา่างอาตมานีอ่อธิบายแทบตายอธิบายเห็นรูปเห็นนามอันนี้ไม่ทะลุหมดแล้วเห็นรูปนามอย่างเดียวอะไรคืออะไรอต่างๆก็มีแต่รูปกับ น, นามเท่านั้นทะลุหมดแล้วดินไม่เป็นดินน้ามไม่เป็นน้ําคนไม่เป็นคนอะไรไม่เป็นอะไรเลยนี่คุณแปดเจ็ศูนย์ห้าอธิบายมาพูดมายืนยันเป็นอย่างนั้นนซึ่ง ต, ต่างกับอาตมาว่าอาตม า, ร, ามรูปเป็นรูปนามเป็นนามเพราะฉะนั้นรูปก็มีภาวะต่างกันนามก็มีภาวะต่างกันยากได้อย่างไร บรรลุแล้วรู้ก็รู้ว่าทุกอย่างมีแต่รูปกรรนามแล้วเราก็ไปติดยึดในรูปและนานมนี่เขาหมอบับบตมาแต่สําหรับคุณนี่บอกว่ามองทะลุเลยไม่รู้เรื่องไ ม, ไม่รู้อะไรโยนก็ว่ามีแต่รูปกรรนามเท่านั้นมองทะลุไปเลยทะลุโปร่งไปเลยเลยก็ไม่มีรู้อะไรทั้งนั้นแหละมีแต่รูปกรรนามรูปกรรนามยังไม่แยกเลยแยกกับหยาบทจริงมันละเอียดแต่ว่าแยกอยู่เหมือนกันแยกกับหยาบ อ่าเท่าที่อาจจะมารับรู้ตามที่คุณแปดเจตสูนาแสดงให้อาจจะมาพอรู้ได้นะอาตมาอาจจะไม่ฉลาดนักก็รู้ได้อย่างนี้อา่าก็เลยบอกว่าเอา่ามันไม่ใช่ทางนั้นนะไม่ใช่น้ำไม่ใช่ดินไม่ใช่คนไงล่ะซึ่งเมื่อตอบไปเช่นนั้นแล้วเพื่อนก็หันมาถามอีกเลยเเพื่อนก็ไม่หันมาถามอีกเลยนี่ตอบนี้จบเลยเพื่อนก็ไม่หันมาถามอีกเลยและเราทั้งสองก็เดินขึ้นบันไดสะพานลอยไปได้ด้วยอาการสงบอา่าเดินขึ้นสะพานลอย บานลอยไปด้วยอาการสงบยิ่งชัดว่าเพื่อนกับท่านผู้นี้เป็นพระแน่นอ น, นเดินไปด้วยอาการสงบพร้อมกับจิตใจที่เบิกบานเต็มที่ถึงสันติสุขอย่างแท้จริงนั่นรู้เลยว่าตัวเองเบิกบานเต็มที่ถึงสันติสุขเลยและถึงกับอุทานขึ้นในใจนี่มีอุทานขึ้นในใจด้วยว่าอ๋ออ๋ออย่างนี้เองสินะที่เรียกว่าสันติสุข โดยที่โลกก็ยังคงเป็นโลกใบเดิมใช่ไหมอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นขมันอยู่อย่างเดิมนั่นแหละแต่เราสิไม่ใช่เดิมซะแล้วรอยฟ้องแล้วนะอ่าโลกก็ยังเป็นโลกโลกใบเดิมที่เคยดูเหมือนจะวุ่นวายนักแต่บัด น, นี้เด็กกลับกลายมาเป็นโลกที่แสนจะสงบนิ่งยิ่งนักเอ้าแล้วโลกมันสงบจริงหรือเปล่า เดิย่น่นเสียงอะไรคือกลาคือคันเต็มที่หมดแหละอออบัดนี้กับกลายมาเป็นโลกที่แสนจะสงบนิ่งยิ่งนักรถยนต์ที่เคยวิ่งเห็นกันไปมาก็ดูเหมือนว่าวิ่งวิ่งแบบไม่ได้วิ่งอาจฉรมาว่าปราสะหรือเปล่าวิปลาสะหรือเปล่าคล้ายกับจุดนิ่งยังไงอย่างงั้นนี่อาจฉรมาว่ามันจะ คนไปหน่อยแล้วนะมันไม่เป็นความจริงตามความเป็นจริงแล้วเสียงรถเสียงแตรเสียงคนก็ไม่รู้หายไปไหนหมดหมดเลยการเคลื่อนไหวก็ไอ้ที่เคลื่อนก็เป็นนิ่งไอ้เสียงก็กลับเป็นเงียบพร้อมกันนั้นแสงแด่ที่เคยแผละเตี้ยงตอนเที่ยงมันก็กลายเป็นบรรยากาศที่แสนสบายด้วยความร่มรื่นยิ่งนักเหมือนกับกลางเต็นเลยอยู่ในเต็นเลย และขณะที่กําลังเดินอยู่นั้นสายตาทั้งคู่ของเราก็ห้อยต่ำสายตาของคู่ก็ห้อยต่ำเหมือนสายตาของพุทธรูปพร้อมกับแปลกใจนักที่รู้สึกไม่ได้ที่รู้สึกไม่ได้ว่าเท้าของเรายังสัมผัสกับพื้นอยู่หรือเปล่าจะไรความรู้สึกเลยแปลกใจนักว่า ที่รู้สึกไม่ได้ว่ารู้สึกไม่ได้เลยเนะ่มันรู้สึกไม่ได้แล้วว่าเอ๊ะเท้าของเรายัางสัมผัสพื้นอยู่หรือเปล่าจนเมื่อเดินขึ้นบันไดามาถึงคอสะพานด้านบนแล้วจึงถึงได้เกิดความสงสัยขึ้นมาในใจว่าตะ ก, กี้ที่ตะ ก, กี้นี่เราไปเห็นว่าคนไม่ใช่คนนั้นก็แล้วมันเป็นอะไรล่ะเราจึงได้เริ่มเพเยเปลือกตาขึ้น เพื่อจะมองดูว่าแม่เขียนยังกะสีไร้เลยนะเนี่ยเราจึงได้เริ่มเปลเยอะเปลือกตาขึ้นเพื่อจะมองดูว่าแล้วมันเป็นอะไรกันแน่พอเห็นเข้ากับที่กำลังเดินสวนมานั้ น, นพอเห็นเข้ากับที่กำลังเดินสวนมานั้นก็รู้ได้ทันทีเลยว่าอ๋อมันเป็นทก มันเป็นทุกข์ไอ้ที่เดินสวนมานะมันเป็นทุกข์และเมื่อรู้แล้วก็ปล่อยเปลือกตาลงทันทีโอ้เจ้เลยเนาะ <c oughs> ก็ปล่อยเปลือกตาลงทันทีซึ่งการที่สติสามารถรู้ได้ทันถึงเปลือกตาเนี่ยรู้นะรู้ทันเปลือกตาลงด้วยสติรู้สามารถรู้ได้ทันเปลือกตาที่ค่อยๆเผยขึ้นทีละน้อยและรู้ได้ถึงขั้น ถึงเปลือกตาที่ก็ค่อยปิดลงทีละน้อยนี้จึงเสมือนหนึ่งว่าในขณะนั้นเป็นหนังที่สโลโมชั่นมากมากหนึ่งเรียบล้านเฟรมต่อวินาทีแพ้อาจจะมาแค่400เฟรมอย่างมากแล้ว400เฟรมนี่รอเขาล้านเลยล้านเฟร ม, มโมโหไกลกันรีบเลยแพ้ยังไม่เห็นฝุ่นเลย ที่สโลโมชันเอาไรีย้านเฟรมต่อวินาทีทั้งตั้ง่อากาศเพเยะเปลือกตาอาการพอไปทั้งๆั้งแต่อาการเพเยะเปลือกตาขึ้นและปิดหลกเปลือกตาลงใช้เวลารวมกันเท่ากับที่กระพริบตาหนึ่งหนึ่งครั้งนั้นก็รวดเร็วเป็นปกติอยู่หากแต่เป็นเพราะว่าในขณะที่จิตเบิกบานเป็นว่าหะในขณะที่จิตเบิกบานถึงสันติสุขนั้น ไม่ได้มีการสังขารปรุงแต่งเป็นอุปาทานหรือเป็นเรื่องราวของบุคคลตัวตนใดๆเลยจึงส่งผลให้สติทำหน้าที่ได้เต็มศักยภาพร้อยเปอร์เซนตสามารถที่จะกำหนดรู้ได้ทันกับอารมณ์คือความเกิดขึ้นและดับไปและเอาของความเกิดคือความเกิดขึ้นและดับไปของนามรูปได้โอ้ สามารถยังรู้ความเกิดขึ้นดับไปของนามรูปเพราะมีความเร็วถึงล้านนะล้านเฟรมต่อวินาทีนี่เองอเอระดับไปของนามรูปได้หรือจึงสามารถรู้ได้ทันกับเปลือกตาที่กระพริบนั้นนั่นเองอนี่อธิบายลักษณะของความเก่งของจิตปัญญาที่มันเร็วสามารถรู้ยิ่งกว่าแสงยิ่งกว่าเสียงล้านเฟรมต่อวินาทีนี่ตรงก็น่าจะ เร็วกว่าแสงแล้วนะแสงไม่ถึงล้านนะแสงต่อเป็นแสนเท่าไหรอ่อ่ะนะนะนะประมาณปลายต่อวินาทีทีนี้ขอย้อนกลับไปพูดถึงตะ ก, กี้ที่สงสัยว่าเมื่อตนเอเมื่อคนไม่ใช่คนอ่าที่ตะ ก, กี้ว่าเมื่อคนไม่ใช่คนแล้วเป็นอะไรล่ะจึงได้เพรเยือเปลือกตาขึ้นมองอีกครั้งอ่านะจึงได้รู้ทันทีว่าอ๋อมันเป็นทุกคนนี่มันเป็นทุก คนไม่ใช่คนแต่มันเป็นทุกเป็นก้อนทุกบางเงินเถอนะน่อาจจะมาขยายความอีกทีคุณนี่คุณแปจ็ดศนห้าไม่ได้เขียนไม่หรอกอ่าขยายอีกทีหนึ่งมันเป็นทุกพอรู้ดังนี้แล้วก็ปล่อยเปลือกตาลงพอรู้แล้วว่าอ๋อคนนี้คือมันเป็นทุกคืออะไรเป็นเป็นทุกก็ปล่อยเปลือกตาลงแต่กลับได้เกิดสงสัยขึ้นมาใหม่อีกว่าก่อนแล้วทําไมถึงเป็นทุกเล่าเออแล้วทําไมถึงเป็นทุกเล่าอ่า พอปล่อยเปลอกตาก็ขึ้นมองอีกครั้งว่าทําไมเป็นทุกข์เล่ า, าจึงได้พเพยเออรเปลือกตาขึ้นมองใหม่อีกครั้งโอ้อธิบายตามระดับของเปลือกตาเปิ ด, เ ป, ด, เ, ปดเปลือกตาเผยเออรขึ้นไเชื่อลงเลยนะจึงได้เพยเออรเปือกตาขึ้นมองใหม่อีกครั้งพอเห็นทีนี้พอเห็น น, ห น, นามรูปที่กําลังเดินสวนมาปับ๊บคนนี้เป็นก้อนทุกข์และ เป็นนามรูปกําลังเดินสวนมาปุ๊บก็รู้คําตอบได้ทันทีเลยปับ๊บพอเห็นคนเดินสวนมาปุ๊บก็รู้คําตอบได้ทันทีเลยปั๊บว่าสิ่งที่มีชีสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนรู้เลยว่าคนเดินมาเนี่ยอกําลังเดินมาเนี่ยมันเป็นเห็นเห็นนามรูปที่กําลังเดินสวนมาปุ๊บเลยแล้วก็ ตอบได้ทันทีปั๊บเลยว่าสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนกําลังดิ้นรนเพื่อสร้างความเป็นตัวตนให้เกิดขึ้นกับตัวเองนั่นนะพวกคุณนีเดินไปเดินมาให้คุณแปดเจ็ดศูนหน้าเห็นเนี่ยพวกคุณนี่เป็นเป็นเอ่ อ, ى, อ ى, เป็นตัวตนเนที่กําลังเกิดขึ้นกับตัวเองทําสร้างนั่นเป็นคนที่ดิ้นรนสร้างความเป็นตัวตนให้เก่ดขึ้นตัวเองอยู่ในทุกทุกทุกที่เดินมาทุกตัวตนที่เดินมานี่อ่า เดี๋ยวเธอเดี๋ยวไปเห็นพระอาหารหันเดินมาก็ับไปท้บาบันมีตัวตนกําลังวิ่งหาทุกข์อีกคุณระวังเธอไปเดี๋ยวเห็นผิดนะอ่าซึ่งอาการที่ดิ้นรนนี่และคือทุกข์มองเลยเปิด ถ, นนออถึงตอนนี้ต้องบอกพอททรบอกอัตมาพทพททรคือโพธิรักษ์ถึงตอนนี้ต้องบอกโพธิรักษ์เสียก่อนว่าขณะนั้นพศ2526เรายังม่เคยได้เรียนหรือได้ฟังธรรมะใดๆเลยนะ ยังไม่ได้เรียนยังไม่ได้ฟังสธรรมะไดๆเลยจึงย่อมไม่เคยได้ยินคำว่าอนัตตามาก่อนด้วยวงเล็บปิดไม่ได้ยังไม่มีรูปอะไรราก่อนเลยนะอนัตตาย่อมยังไม่รู้ซึ่งในระหว่างที่เรากำลังเดินอยู่บนสะพานลอยแล ะ, พะเพยเอเปลือกตาเพียงแวบเดียวเพื่อมองดูนามรูปที่สวนมาอยู่นั้นก็ยังอดแปลกใจไม่ได้เลยว่าทาไมนามรูปทั้งหลายถึงเดินได้เดิน อ, อกันอ นามรูปส่วนใหญ่ท่นเดินอ้อกันแน่นทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวาของสะพานลอยเท่านั้นโดยคล้ายกับว่านามรูปทั้งหลายนั้นต่างมีเจตนาร่วมกันที่จะเปิดเขาเดินไปข้างซ้ายข้างขวาโดยที่นามรูปทั้งหลายนั้นต่างมีเจตนาร่วมกันที่จะเปิดช่องทางที่จะเปิดช่องตรงกลางตลอดแนวยาวของสะพานลอยไวจ้ำเพาะให้แกเรา เพื่อที่เราสองคนจะได้เดินได้ได้โดยสะดวกยังไงอย่างนั้นแสดงว่าจะต้องคนทั้งสองข้างเนี่ยรู้สึกแล้วว่าสองคนนี้พิเศษต้องรีบลบเข้าข้างต่างให้สองคนนี้เดินไปเลยอย่างน้อยก็น่าจะเป็นพระเขาก็หลบให้บ้างนะอาตมาเดานะว่าจะเป็นพระแต่ถ้าไม่เป็นพระก็หรือเป็นพระก็ตามก็เป็นพระที่ต้องมี โอโหคนเขาต้องให้เกียรติต้องลบหรือไม่ยิ่งไม่เป็นพระเลยโจอโฮยิ่งต้องมีฤทธิ์มากเลยคนจะต้องหลบสองข้างทางให้เดินเดินโดยสะดวกอย่างไงอย่างนั้นเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วนะเพราะปกติคนเมืองหลวงหรือแม้จะเป็นคนบ้านนอกก็ตามก็ไม่น่าที่จะได้ดีดีไม่น่าจะใจดีถึงขนาดเปิดทางให้เช่นนี้ได้อีกทั้งเราก็ไม่ใช่บุคคลสําคัญหรือเป็นพระเจ้าอยู่หัว เราก็ไม่เช่คนต้องการไม่ใช่พระเจ้าอยู่หัวที่ประสงฆ์นิกรยย่อมรู้สึกเคารพเทิดทูนพระองค์พร้อมที่จะเปิดทางให้เสด็จอยู่แล้วแต่สำหรับเราเมื่อหาเหตุผลยังไม่พบแล้วขืนรีบไปสรุปว่าบนสะพานลอยที่ดูเหมือนจะเปิดเป็นช่องกว้างตรงกลางไว้จำเพาะให้แก่เราเดินนั้นจึงน่าจะเป็นปาฏิหาริย์ซะมากกว่ า, าเห็นเราเป็นปาฏิหาริย์เลยเดินเนี่ยซึ่งถ้าไม่ใช่ปาฏิหาริย์แห่งทำแล้ว สะพานลอยจะเสมือนยืดออกได้เองเช่นนี้อย่างไรเล่าถ้าคนไม่หลบให้เป็นปาฏิหาริย์สะพานลอยมันจะยืดออกให้สองคนนี้เดินว่างไปได้ไดยังไงหว่างั้นนะนสะพานลอยจะสามารถยืดออกได้เองเช่นนี้อย่างไรเล่าซึ่งพวกหัววิทยาศาสตร์จ๋าอย่างเหมาเจ๋อตรงอย่างโพธิรัตน์แต่งโง่ย่อมที่จะไม่เชื่ออยู่แล้ว แม้มีวงเล็บไปด้วยนะว่ามันต้องมีแต่โง่เมาจตึงก็ตามโพธิรักก็ตามแต่โง่เนี่ยย่อมที่จะไม่เชื่ออยู่แล้วแต่เมื่อดูจากพระตรปิดกนากลับไปดูเทียบพระไตรปิฎกตอนนี้ที่อานนทเดินตามเสด็จพุทธเจ้าพระนนทก็ยังอดสงสัยไม่ได้เลยว่าทําไมหนอพุทธองค์ถึงสามารถเดินผ่านตลาดอันเป็นที่อันทับแคบได้เห็นไหมเทียบเคียงตัวเองเลย แสถานที่สะพา ร, รอยก็แคบใช่ไหมนี่มันแยกออกให้เลยเนี่ยฉันเดียวกันเทียบกับพรุทธเจ้าเลยเดินไปในที่ตอร่ามันแคบแคบแต่ท่านเดินได้ซึ่งก็คงด้วยเหตุปาฏิหารแห่งวิมุติเช่นเดียวกันอเทียบเคียงเหมือนของพระพุทธเจ้าเลยเพียงแต่ทรงเลี่ยงที่จะไม่ตอบเป็นเรื่องของปาฏิหารเท่านั้นเองนะโอ้พระพุทธเจ้าไม่ไม่ไมไมกลา้าตอบเป็นปาฏิหารแต่แปดเจ็ดศูนย์ห้ากำลังตอบว่าเป็นปาฏิหาร ซึ่งก็เช่นเดียวกับที่องคุลิมานวิ่งเร็วสักเท่าไรก็ไม่อาจาตามทันพุทธเจ้าได้เลยและหลังจากที่อ่านพระเจดิดกแล้วเราถึงไ ด, ได้รู้ว่าสภาวะที่เบิกบานถึงสันติสุขนั้นภาษาธรรมะจะเรียกว่าวิมุตตอันเป็นนิรามิตสุขไม่ต้องอาศัยสุขจากอามิตรคือกามกามคุณห้าเลยและยังรู้ได้ว่าในวิมุตินั้นสติ จะแก่กล้าเต็มพิกัดก็เพราะเหตุที่ไม่มีสังขารการปรุงแต่งมาเป็นอุปสรรคบั่นทอนศักยภาพสติได้นั่นเองจึงส่งผลให้สติทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่สามารถที่จะกําหนดรู้ได้ทันกับอารมณ์ณปัจจุบันนั่นเพียวหรือกล่าวคือสามารถเห็นรูปก็เป็นรูปเห็นนามก็เป็นนามเมื่อกี้นี้ มผ่านรูปนามแล้วมันมีแต่สัตว์ตัวทุกนะตอนนี้เห็นรูปเห็นนามแล้วแต่ไม่ขยายนะรูปคืออะไรนามคืออะไรเป็นรูปเห็นรูปเห็นนามเห็นนามก็เป็นนามเห็นรูปก็เป็นรูปมายคเห็นรูปรูามันนี่เปนรูปเห็นนามรู้ว่านี่เป็นนามแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอัดเป็นยังไงซึ่งการที่เห็นเป็นแต่นามรูปซึ่งการที่เห็นเป็นแต่นามรูปที่กําลังเกิดขึ้นดับไปนี่แหละย่อมเชื่อว่าย่อมชื่อว่า ข้ามพ้นมิจฉาทิฐิเห็นเป็นรูปเป็นนามนี่แหละเห็นเป็นแต่รูปแต่นามเห็นเป็นแต่รูปแต่นาศแต่บรรูปว่านามเห็นแต่บรรูปว่านามเนี่ยเป็นการพ้นมิจฉาทิฐิที่ก่อนเคยเห็นด้วยอุปทานแนวเรื่องฟังหัวนะที่แต่ก่อ น, นี่เคยเห็นด้วยอุปทานฟังหัวว่าเป็นบุคคลตัวตนนะเรียกว่าเห็นเฉพาะเป็นแต่รูปแต่นามนี้ได้แล้วนะ่ะข้ามพ้นมิจฉาทิฐิได้แล้วข้ามพ้นมิจฉาทิฐิข้ามพ้นอุปทาน ว่าเป็นตัวเป็นตนบุคคลนี่ได้แล้วซึ่งถึงแม้จะละมิจฉาคิธิตรงนี้ได้ก็ยังเป็นแค่จุลโสดาเท่านั้นยังหาได้เป็นอริยโซดาจริงๆเลยไม่นี่แค่เห็นแค่นี้นะเป็นแค่จุลโสดายังไม่ได้เป็นโซดาแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังการันตีได้ว่าชาติหน้าถัดไปหนึ่งชาติของจุลโดานี้ไม่ต้องเกิดในภพบอบายอย่างแน่นอน เนี่ยบรรลุตัดสู่แบบนี้ปิดอาบายแล้ว่ามีการมีปฏิหารสามารถหลอดมีอะไรมีความอะไรที่อัตมาจําไม่ได้แล้วเยอะนขยายความปฏิห า, ารปาฏิหา ร, า ร, ารหลายอย่างไม่ต้องเกิดในอาบาลพบมาไม่ต้องเกิดในพบอบายอย่างแน่นอนพอถึงตอนนี้พททโปรอิรักคงจะสงสัยเป็นยิ่งนัก นสงสัยเป็นยิ่งนักคือหมายความว่ามองใจอัตมาทะลุเลยว่าทำามาถึงตอนนี้เนี่ยโพธิรักษ์ก็จะต้องสงสัยเป็นยิ่งนักว่าก็ในเมื่อเราบอกว่าไม่ใช่อัตตาแล้วแต่ทําไมเราจึงดันไปกล่าวถึงการเกิดสืบต่อในพบหน้าได้อีกเล่าเช่นที่เราพูดว่ามิจฉาทิฐิบุคคลโพธิรักษ์เมื่อตายแล้วมิจฉาทิฏฐิบุคคลโพธิรักษ์ได้ว่านําหน้าให้เลยนะเป็นอจกเอานําว่า โพธิรั์นี้ต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลนั่นน่านำหน้าเลยแทนที่จะใช้คำว่านายนายโพธิรักษ์บอกมิจฉาบุคคลโพธิรัก์เมื่อตายแล้วต้องไปเกิดในภพนักนรกเป็นต้ น, นซึ่งเราย่อมกล่าวเช่นนี้เท่วนั้นได้อยู่แล้วเพราะเป็นไปตามสมมติโดยที่ไม่ได้หมายความว่ามิจฉาทิฏฐิบุคคลนั้นจะเอาอัตราอันใดอันใดคองจนไปเกิดสืบต่อในภพ นรกสิมอะไรตายนั้นไม่ได้เอาอัตตาไปเกิดนะเพียงแต่หมายถึงว่าเป็นการเกิดสืบต่อของนามรูปมีแต่นามรูปเท่านั้นอ่านะมันเกิดเกิดสืบต่อเกิดัดบเกิดับมีแต่นามรูปไม่มีมอุดมอัตตาอะไรหรอกรรปเป็นการสืบต่อของนามรูปที่สามารถเกิดขึ้นโดยข้ามพบได้นามรูปนี่เกิดข้ามพบได้ไม่จะมีอตดงอัตตาอเลรก็เท่านั้นเองพอจะโอเคไหมนะ วิสาหะรูมาพอโอเคไหมยังยังยังไม่โอเ ค, อ เ, คเช่นอย่างจูระโสดาที่ละมิชาทิฐีว่าเป็นอัตตาตัวตนได้ก็เพราะก็เพราะว่าเคยได้เห็นประมัตดคืออนัตตาในวิมุติมาครั้งหนึ่งแล้วเห็นอนัตตาในวิมุติอ่เห็นอนัตตาในวิมุตินะอเห็นอนัตตาในวิมุนะอนอน ต, ตมอ พยายามทำความเข้าใจก่อนเห็นอนัตตาหมายความว่าไม่เป็นตัวหรความไม่เป็นตัวตนนี้อยู่ในวิมุตต์เห็นอนัตตาในวิมุตต์ออัตมากลับเห็นว่าอัตมานี่นะมันเห็นอนัตตาแล้วมันก็วิมุตต์มันไม่ใช่ไปเห็นในวิมุตต์มันเห็นอนัตตามันไม่มีไม่ใช่ความเป็นตัวตนแล้วมันก็หลุดพ้นไปไม่ใช่ไปเห็นอนัตตาในวิมุตตวิมุตตเป็นพบังไง เข้าไปเห็นในวิมุตเป็นแดนเป็นสถานที่เป็นรูปร่างเป็นตัวตนเป็นถ้ำเป็นกูหาก็ไปเห็นอนัตตาในนั้นยัไงอจมาว่าเมื่อเราเกิดอนัตตาธรรมเห็นความดับไม่เหลือของอัตตาของโจตตนแล้วเราก็หลุดพ้นแล้วก็วิมุตไปเห็นอนัตตาในวิมุตก็มาความาวิมุตเป็นภพเป็นแดน เป็นถิ่นเป็นที่เป็นตัวตนบุคคลเป็นผาชนะเป็นถ้ำเป็นห้องอะไรอยู่ในนั้นใช่ไหเห็นอนันตานในวิมุตต์มาครั้งหนึ่งแล้วซึ่งถึงแม้ในภายหลังจิตจะไม่วิมุตต์อีกไม่มีทําไม่มีห้องวิมุตต์เป็นถ้าเป็นห้องแใ่คราวนี้เป็นพบเป็นตัวเป็นตนนะไปเห็นอนันตานในนั้น จะจะไม่วิมุตต์อีกก็ตามแต่ก็เคยได้มีสัญญาเท่ากับข้อมูลความรู้ในขนาดที่วิมุตต์ในครั้งนั้นที่วิมุตตในครั้งนั้นมาแล้ววิมุตต์ในครั้งนั้นมาแล้วว่ามนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีสัตว์อบายสี่ก็ดีล้วนเป็นแต่เพียงนามรูปเท่านั้นเองโดยหาได้เป็นมนุษย์จริงๆเทวดาจริงๆสัตว์อบายจริงๆหรือคือเป็นอัตตาจริงๆเลยไม่ จึงมีแต่ผู้ไม่รู้เช่นโพธิรักเป็นต้นที่ยังคงมิจฉาทิฐิคงเส้นคงวาโดยยังคงดึงดันว่ามนุษย์เท่านั้นจริงแต่เทวดาและสัตว์นรกไม่จริงสังอาตมาพูดก็ยังไม่ค่อยเข้าใจที่อาตมาพูดเนาะแล้วมันจะเข้าใจอะไรได้บ้างเนี่ยขณะอาตมาพูดในเรื่องว่ามนุษย์เท่านั้นจริงเทวดาและสัตว์นรกไม่จริงเนี่ยอาตมาก็ไม่เคยพูดอย่างนี้สักที แต่คุณคนนี้ก็ฟังว่าอาตมาพูดอย่างนั้นเอามาว่าอาตมาอางนั้นได้เนาะเพราะเกิดจากจิตปั้นขึ้นมาเองเท่านั้นอบอกว่าเทวดาสัตว์นรกนี่ไม่จริงเพราะว่าจิตปั้นขึ้นมาเองอย่างนั้ น, นว่าอาตมานี่ไม่รับเลยเทวดาสัตว์นรกไม่รับเลยรับแต่มนุษย์อย่างเดียวแต่สําหรับผู้ที่เคยผ่านมิมุติมาแล้วเช่นจุลโซดาเป็นต้นจุลโสดานี่เป็นมิมุตแล้วนะเนี่ยของความคิดของคุณแปดเจสุน่า อ่าจูราโสดานี่เป็นเป็นเป็นเป็นเป็นมิมุตและไม่ซีซั้วพูดเหมือนอย่างพอโพธิรักเพราะรู้ดีว่าถ้าพูดโดยสมมติแล้วทั้งมนุษย์เทวดาสัตว์นรกล้วนจรงิงในวันแรกเปิดในเปิดวันแรกเปิดโดยสมมุติทั้งนั้นอ่าพวกเทวดามนุษย์สมมัตว์นรกเป็นเป็นจริงทั้งนั้นท้งจริงทั้งนั้นที่เป็นสมมติแต่ถ้าพูดโดยประมาทแล้วทั้งมนุษย์เทวดาสัตว์นรกทั้งหมดล้วนไม่จริงเลย เพราะต่างล้วนเป็นแค่นามรูปเท่านั้นจริงๆทีนี้ต้องขอย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องที่ยังค้างอยู่คือเมื่อเราได้เดินลงจากสะพานลอยข้ามถนนแล้ว <c oughs> ก็ยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆบนฟุตบาทด้วยอาการสำรวมอันเป็นอัตโนมัติ <c oughs> คงจะเป็นธรมณะเมตพระจริงๆคะับกิอาการสำรวมอันเป็นอัตโนมัต โดยที่สายตาก็ยังคงห้อยต่ำเหมือนตาพุทธรูปและเมื่อรู้ได้และเมื่อรู้ได้เองว่ากำลังจะถึงสี่แยกนพอต่าไปก็รู้ได้เองว่าจะถึงสี่แยกครับที่จะเดินข้ามที่จะเดินข้ามแล้วจึงได้เริ่มพเพย์เปลือกตาขึ้นมองอีกครั้งเพื่อจะดูให้แน่ใจว่าจะข้ามถนนได้ทันทีหรือไม่ฉับพลันนั่นเองนามรูปหนึ่ง เ, เอนามรูปหนึ่งที่กําลังซ้อนมอเตอร์ไซค์อยูอ่ได้หันมาทางเราเพอดีอนามรูปหนึ่งนะซ้อนมอเตอร์ไซค์อยู่เอานามรูปหนึ่งนี่เดาซิว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอ่านามรูปหนึ่งที่กําลังซ้อนมอเตอร์ไซค์อยู่อได้หันมาทางเราพอดีพร้อมกับกําลังคิดว่าฉันนี่สวยไหมอ๋อนามรูปนั้นรู้ใจเลยนะรู้ใจเอนามรูปที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหลังเนี่ย อ่าพร้อมกับคิดว่าถามเธอถามมาว่าฉันนี่สวยไหมจะมีใครมองฉันบ้างหรือเปล่าเนี่ยซึ่งการที่เราเห็นนามคือความคิดนั้นนาะเห็นความคิดเลยก็เห็นได้พร้อมๆกันที่เราเห็นรูปนั่นแหละเห็นนามรูปนั้นเห็นไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมสวยคงไม่ใช่กระเทยเอ่าถ้าผู้ชายก็ต้องมารล่อสินะ กระเทยถึงจะเรียกว่าสวยคงไม่ใช่กระเทยคงเป็นผู้หญิงนะนะพร้อมๆอมกันกับเราเห็นเห็นรูปนั้นนั่นแหละโดยที่รูปย่อมไปจักชัดอยู่ตรงหน้าเช่นใดนามคือความคิดนั้นก็ให้ประจักชัดได้อยู่ตรงหน้าเช่นนั้นเช่นกันไม่แตกต่างกันเลยแถมยังรับรู้ไปพร้อมกันได้อีกด้วยแต่เมื่อรู้แล้วก็ผ่านเลยไปอ่ดูแล้วก็ผ่านเลยไปโดยไม่ได้ใส่ใจ เพราะสติทําหน้าที่แค่กําหนดรู้คือรับรู้ณนะปัจจุบันขณะอย่างเดียวเท่านั้นจึงไม่ได้มีเรื่องราวของอัตตาตัวตนใดๆอันเป็นสังขารปรุงแต่งที่เกิดขึ้นเพราะด้วยความคิดนึกมาเจือปนอยู่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขาหรือของเราจิตเองก็ไม่คิดนึกปรุงไปทางใดทั้งสิน้นเพราะโดยลําพังที่อยู่ในความสงบสติสันติสุขนั้นก็ย่อมสุขบริบูรณ์แล้ว เนือกว่าสุขใดๆในโลกทั้งหมดจึงยังไม่มีความคิดนึกหรือเรื่องราวใดอีกแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักใหญ่จิตของเราก็ได้เกิดขึ้นยินดีพอใจในสุขนี้ขึ้นมาอ๋อไม่ยินดีในเรื่องของการปรุงแต่งแต่ยินดีในในในในในความสุขที่สงบจึงทําให้กําลังของสติที่จ ะ, ะรล ะ, ะ, ล, ะรลึกอ่อนลงที่จะระลึกรู้อ่อนลงเพราะเผลอไปนั่นเองน่เผลอไปยินดีในความสงบ จึงย่อมรู้ไม่ทันต่ออารมณ์ณปัจจุบันและซ้ายังจะให้เกิดจิตทั้งขานคือความคิดปรุงแต่งแทรกขึ้นมาอีกว่าที่ตะกี้นเราสามารถไปรู้ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นคิดอะไรนี่ก็เท่ากับว่าเราเป็นผู้วิเศษแล้วสินนะและทันทีที่ได้เกิดขึ้นได้เกิดความนึกคิดในความคิดนึกว่าเป็นเราหรือเป็นเป็นตัวตนของเราขึ้นมานี้ ความสงบสัน้นจิตสุขก็ได้หายไปทันใดเหมือนกันและจึงต้องกลับมาเป็นเหมือนคนทั่วไปอีกครั้งออพอคิดอย่างนี้มันก็เลยกลับมาเป็นคนเดิมเหมือนคนอีกครั้งซึ่งจากเรื่องของเราที่ได้บรรจงเล่ามานี้นะได้บรรจงเล่ามานี้นะบรรจงเล่ามาจริงไม่หวัดเลยนะคิดว่าน่าจะเปิดหูเปิดตาเปิดปัญญาให้กับโพธิรัก์บ้าง ดีกว่าไปซ้ำเติมกันใช่ไหมเออดีไม่ซ้ำเติมกันหรอกดีต่างคนต่างบอกความเห็นของต น, นและอย่าลืมว่านี่เป็นเรื่อง 2,526 ที่เรายังเป็นปุตุชนอยู่นี่เป็นปุตุชนก็มีวิมุตแล้วนะคนนี้แต่ถ้าจะเอาเรื่องที่เป็นอริยะตั้งแต่ปีออนี่รู้ตัวเองเลยได้เป็นอริยะตั้งแต่ปี 2,535 นี่บรรลุบรรลุเป็นอริยะตั้งแต่ปี 2,535 มาเล่าแล้วก็ เนื้อธรรมะที่เป็นโล ก, กุตระแท้นั้นถ้าพูดกับระยะอริยะด้วยกันแล้วง่ายมากแต่ถ้าขืนไปอธิบายให้ปุถุชนฟังคงต้องกดเอสอกันจนนิ้วล็อกบายๆก็เป็นมืกดไว้วงบบายไปไปอยู่มันนิ้วล็อกสิเออโพธิทักรักเอาลัทธิเหมาเจอตุงมาดัดแปลงนิดหน่อยก็กลายเป็นพุทธลัทธิมิภวะตัณหา น, นี่เป็นความเรื่องของคุณแปดเจ็ดศูนย์อ่านซะจนยาวจนเวลาหมดเลยเอาไว้ปฏิบัติหนักาไว้ปฏิบัติหัแล้วค่อยโอภาปราใส่คิดอ่านก็ว่ากันว่าถ้าอัตมาจะมีความเข้าใจเมื่ออ่านของคุณมีแล้วแสดงออกมาที่อัตมาเจตนาอ่านให้ฟังนี่ เพื่อที่จะให้รู้ว่าความคิดหรือความเข้าใจหรือศาสตราสมาพุทธที่มีนัยยะอย่างนี้มีความรู้ความเห็นความเข้าใจกันแบบนี้แล้วก็ได้มรดกผลแบบนี้กันในเมืองไทยเนี้มีเยอะมีเยอะอัตมาเข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณเบตจิตสุนทรจึงมั่นใจว่าเป็นประชาธิปไตยมีพวกมากคะแนนสิบห้าล้านเสียงนะเชื่อมั่นว่าตัวเอง คะแนนสิล้านเสียงอาตมาไม่ไมีไม่มีใครเลือกนะจะมีคนเลือกจนกิดเป็นพวกเจ้าโสงนี่แหละพวกโง่โม่เนี่ยนะมาหลงคารมโพศิรักได้อะไรอย่างนี้อยู่เทานั้นแหละนะนะก็ไว้มันหมดแล้วเวลาจิบอ่านไปจนเวลาหมดเลยเอามาตอบประเด็นอะไรพวกนี้เถอะก่อนมันเวลาจำกัดนะรายการในการหนึ่งมันก็ต้องมีลักษณะของรายการของเขาไปนะว้วันพระหัสพวกนี้วันพุธอาตมาไม่ได้ ทำเป็นเดือนอิสระที่พวกเราจะช่วยกันแยกแยะรายละเอียดเพราะว่าเราก็ได้พูดมาหลายวันก็จะหยิบประเด็นเหล่านั้นมาขยายความเพิ่มเติมกั น, นอ้าวทีนี้อาตมาก็ขอหยุดพูดคนเดียวมาตอบประเด็นก็บอกเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งประเด็นเข้ามาอีกตามธรรมเนียมอีกครั้งหนึ่งจดเบอร์โทรศัพท์แล้วกันผู้ที่จะส่งผู้ที่ไม่ส่งก็ไม่มีปัญหาได้ ผู้จะส่งก็ฟังเนะบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งประเด็นเข้ามาได้ในรายการนี้ในขณะนี้คือ0885859115 ก, กับ0885859116สองหมายเลขวนอีกทีหง0885859115 กับ0885859116สองหมายเลขนี่ด้วยกันอ้าวนั่นก็คือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งประเด็นเข้ามาอ้าวตอนนี้ก็มาถึงการตอบประเด็นตอบประเด็นเนี่ยอาตมาตก็ขอเอาเอสเเอของวันที่29ที่ รายการอาตมาไปเอื้อไอุอนอยู่ที่คลองสิบสามนุ่นนะอาตมาก็เอามาทายบ้างคุณสามสี่จสามบอกว่าเทพท่านพ่อชัดเจนเกิดปัญญาเพิ่มทำให้จิตรู้แจ้งขึ้นขอบพระคุณนะคุณเก้าศูนย์ห้าสองบอกว่าผมคิดว่า นี่ผมวหวยทีวีอยู่คนเดียวฮ่าๆ่าานี่ฮ่า่ะเนียเขยนเลขฮ่ฮขอบคุณพ่อครูครับเสร็จแล้วหกหกหกหนึ่งคุณ6661หนึ่งก็บอกว่าคุณเก้าศูนย์ห้าสองไม่ได้ว่ายทีวีคนเดียวหรอกค่ะอีกฉันกดทำเป็นคำสาธุด้วยอ๋อว่ายไปพอเป็นคำสาธุเลยนะคนนี้แถมอ่าเรียกว่าํำนอง คำพูดของคุณ95 9052คุณ60 93บอกว่ า, าไม่ใช่คุณ40 39คุณ40 39บอกว่าสกอก็กราบขอบคุณจอ FM TV หลังพ่อครูสมณะติกมาตเทศจกทุกรายการทุกวันสาธุแหมมีคนสนับสนุนส่งเสริมเอมดีเนาะ มีคนทั้งว่วทั้งขอบคุณทั้งกราบเนี่ยบอกกราบขอบคุณจอทีวีหรือกอบคุณพวกโทรอลทีทำวันนี้สิ่งนี้มันเป็นจบจริงเท้แค่ไหนผู้ชี้แสดงออกมาก็ต้องเป็นความจริงแหละไม่ความจริงก็จะต้องมีใจประมาณหนึ่งแล้วล่ะซึ่งมาแสดงให้เห็นว่าสิ่งอย่างนี้เนี่ยอย่างน้อยก็ได้ผลกุพิสนมีคำตอบ นะ่มีมีสิ่งที่สะท้อนตอบมาให้เรารู้ได้เนี่ยอย่างนี้ซึ่งมันก็ทำให้พวกเราเข้าใจว่ามันไม่สูญเปล่าก็ดีนะที่เราพยายามทำแล้วก็ปรารถนาจะให้เป็นเช่นนั้นแหละนะ่ก็ดีลนะน่คุณจะดสามศูนย์แปดบอกว่าเราก็ไว่พ่อครูท่านสรรมณสิระมาศ ถ, ถึงแม่ผ่า น, ถ, านถึงแม่ผ่านทีวีก็ทำให้จิตวิญญาณผ่องใสเป็นสิ่งดีอ่นะบาบ่า อ้มีคนว่าอยู่อีกเยอะเลยเนาะคุณหกศูนย์เก้าสามบอกว่าดอกบัวบานทีละดอกสองดอกสาธุโอ้สรดับจุนทันทั้งหลายนี่ว่าเป็นดอกบัวที่กำลัง บ, นบานบานบานขนทีละดอกสองดอกคุณเก้าเก้าเจ็ดสี่บอกว่านั่งหลับตาสร้างมโนภาพในภพสว่างนั่งหลับตาสร้างมโนภาพในภพสว่าง เป็นการเตรียมตัวก่อนตายเพื่อสร้างภพสว่างให้ดวงวิญญาณจริงไหมครับพ่อครูอ่หนังนับตาสร้างมโนภาพให้ภพสว่างเป็นการเตรียมตัวก่อนตายเพื่อสร้างภพสว่างให้ดวงวิญญาณจริงไหมอขออธิบายเดี๋ยวอ่านให้จบกันเงี้ยเพราะเพราะว่าคนธรรมดาปฏิบัต ได้แค่นี้ครับบอกว่าแค่ทำภพสว่างแค่ตัวปฏิบัติได้แค่นี้ครับกรรมชั่วไม่มีกิเลสรักโลกโกรธหลงทานศีลสมาธิอยู่ในขั้นปานกลางกรรมชั่วไม่มีส่วนกิเลสรักโลกโกรธหลงทานศีล ส, สมาธิ น, นั้นอยู่ขั้นปานกลางพราะครูว่าวิญญาณไปอยู่ในภพมืดหรือสว่างครับแถมท้ายว่าบอก คุณสมบัติของตัวเองว่ากรรมชั่วไม่มีวรา ง, งั้นนะกรรมชั่วไม่มีส่วนกิเลสนั้นรักรบกดลงทานศีล อ, อยู่ในผขั้นปันกลางวรา ง, งั้นแล้วก็ทำใจแบบนี้นั่งหลับตาสร้างมโนภาพในภพสว่างเนี่ยเป็นการเตรียมตัวก่อนตายเพื่อสร้างภพสว่างให้ดวงวิญญาณจริงไหมนะ้าคุณจะตายลงแน่นอนมันก็จะมีสิ่งหนึ่ง ที่เราก็เรียกเป็ภาษาบางคนก็พยายามจะเอาภาษามาแยกมาพูดอย่างโน้อนอย่างนี้อะไรก็ว่ากันไปสรุปแล้วก็มีภาวะอย่างหนึ่งที่ตายแล้วภาวะนั้นยังไม่ปรินิพานภาวะนั้นยังไม่ปรินิพานก็หมายความว่ายังไม่แตกสุดเหมือนอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปในพรมมารสูตรปริเชต ส, สุดท้ายที่บอกว่าตาาคตคนจะเห็นรูปเห็นนางของเราได้ก็ใน ครั้งนี้เป็นครั้งในชีวิตนี้ร่างนี้เป็นครั้งสุดท้ายถ้าเราตายปรินิไปแล้วปรินิพานจะไม่มีใครเห็นเราได้อีกไม่ว่ารู ป, ปรนามไม่ไม่ว่าในพบในไห น, ไหนเหมือนพวงมะม่วงนะที่ถูกตัดจากตัดขั่วหล่นออมาแตกกระจายไปหมดแล้วไม่รวมจิตเป็นพวกมะม่วงได้อีกชั้นใดนะ ก็ผู้ใดก็แล้วแต่ถ้าตายแล้วไม่ฟังริษพานอย่างที่กล่าวนี้เขายังมีอะไรอันหนึ่งที่จะยังสืบต่ออยู่เรียกว่าสืบต่ อ, อ่เพราะที่ถามมาเนี่ว่าจะสร้างมโนภาพตันนัน่งหลตาสร้างมนุภาพให้ใสงสว่างเพื่อว่าเวลาตายจะได้ไปที่สว่างนี้คำว่าแสงสว่างที่นั่งหลับตาแล้วก็สร้างแสงสว่างนนั้แสงสว่างนั้น มันเป็นรูปแสงสว่างนะั้นมันเป็นรูปชนิดหนึ่งอ่ะมันไปนพบชนิดหนึ่งเป็นแดนชนิดหนึ่งที่ให้ถ้าตาแล้วเราก็จะได้ไปอยู่พบอย่างเนี้ยตรงแดนเนี้ยแดนสว่างสว่างตรงเนี้ยมันก็เป็นความตั้งใจสําหรับความรู้ของอัตมาตอบได้ว่าคุณปั้นไปปั้นไป ไอ้ที่เวลาคุณตายไปแล้วนี่นะหรือแม้แต่คุณเป็นเป็นอยู่เนี่ยคุณหลับตานะมันไม่มีแสงสว่างหรอกแสงสว่างที่คุณเห็นนะ่ยมันเป็นมโนโมยอัตตามันเป็นภพชนิดหนึ่งมันเป็นอะไรอันหนึ่งเป็นมโนโมยอัตาเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นสําเร็จด้จิตเอนะคุณก็ปั้นคุสร้างขึ้นในจิตเนี่ยเนรมิตขึ้นมาให้มันสร้างมันเป็นสว่าง เพราะจริงๆแล้วสวามันคือแสงเวลาปิดเปิดกตามันก็รับแสงไม่ได้เหมือนเอาอะไรมากัน้นตาเรานี่มันก็ไม่เห็นอะข้างหน้าเปิดกตามันก็กั้นตาเราไม่ให้แสงเข้าไปผ่านเลนเข้าไปกระทบเลติน่ามันก็ไม่เห็นอะไรแสงไม่มีแต่ที่แสงนั้นเพราะเราเองนี่ชินสร้างมนโนมยภาพตาว่ามีแสงนี่มันนานไม่รู้กี่ชาติแล้วดีไปดีก็ปั้นแสงขึ้นมาในตา ในพบข้างในอยู่มากนานมาแล้วเป็นวาสนาติดอยู่ในตัวขนาดเป็นพระอริยะพระอรหันและยังมีได้เลยแสงพวกเนี้ยแต่ท่านไม่สงสัยแล้วท่านไม่ได้ติดยิตแล้วท่านก็มีก็มีไปเหมือนพระมกกาาเนี่ยิ่งมีรูปมีเรื่องอะไรเยอะมีนิมิตมากมายแต่ท่านก็ไม่ได้ติดว่านิมิตสิ่งนั้นเป็นเราเป็นตัวตนเป็นอะไรมันจะเกิดก็เกิดท่านก็อาศัยตามภาษาที่มันมีความหมายอะไรที่จะใช้ประโยชน์ได้ท่านก็ใช้ สรุปแล้วคุณจะปั้นแสงสว่างอย่างไรมันไม่เกี่ยวกับวิบากวิบากคือกรรมดีกรรมชั่วไม่เกี่ยวกับแสงไม่เกี่ยวกับพบตายไปแล้วคุณไปอยู่ในความมืดแต่ถ้าคุณจะปั้นจนติดติดตัวเองปั้นแสงปั้นสีคุณก็มีแสงนันบ้างแต่แสงเป็นแต่เพียงเรื่องรูปเล็กน้อยเรื่องรูปธรรมเรื่องพบเรื่องแดนรูปธรรมเล็กน้อย มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิบากที่เป็นเรื่องของนามไม่ใช่รูปนามธรรมที่มีวิบากบาววิบากบุญวิบากทุกวิบากสุขวิบากนรกวิบากสวรรค์เพราะจะมีแสงหรือไม่แสงคุณเล็กนิดหน่อยเท่านั้นเองผ่านไปแล้วคุณก็จะต้องยังไงก็ไปตามวิบากวิบากคือนรกหรือสวรรค์ที่เรียกในภาษาว่านรกสวรรค์คือทุกข์และสุข ทุกและสุขทั้งนั้นลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ในคนที่ยังไม่พ้นทุกข์พ้นสุขเพราะฉะนั้นอรานพ้นทุกข์กสุขแล้วจึงไม่มีโลกไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีโลกหมุนเวียนทุกสุขทุกสุขทุกทุกสุขสุขทุไม่มีมีแต่อุเบกขาไม่ทุกข์ไม่สุขพระรามไม่มีอะไรวนเวียนไปไปมานะเพราะงั้นผู้ที่ยังเข้าใจสภาพของรูปนาม อันนั้นมันเป็นแค่รูปดินน้ําไฟลมมหาปุตตรูปวันหนึ่งแสงมหาปุตตรูปอันหนึงงนะหนน่งเท่านั้นไม่ใช่นามิบากไม่เกี่ยวกับเวลาตายแล้วเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ว่าเนี่ยมันเป็นธาตรู้เนี่ยนะมันไม่เกี่ยวกับรูปเพราะตาของจมูกที่กายมันตัดหมดแล้วไม่เกี่ย ว, วแล้วมันก็อยู่ในภพถ้าคุณจะดึงเอาไอ้รูปรถเป็นเสียงรถไม่ใช่ดึงเอาดินน้ําไฟลมมาคุณก็ตป็นปอารมณ์ลมแรงซึ่งมันจะไม่มีริดมีแรงอะไรมาก นอกจากบาปกบุญจะพาคุณไปทุกข์สุขหรือไปเป็นนรกเป็นสวรรค์น็จะตายไปแล้วนะอ๋าเดี๋คิดว่าตอบพยายามตอบให้ได้ทุกมุมมาต่มาพยายามจะตอบให้กระจ่างเลยก็ได้ตอบไปแล้วนะก็อ๋าทีนี้ต่อมาขอถามความสงสัยอย่างนี้นยาวเนียหน้านึงอ่ะ พอถามความสงสัยคบเพื่อนคนหนึ่งมานานเขาเป็นคนซื่อไม่คิดมากไม่จุกจิกเชื่อและไว้ใจคนทําดีกับทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเขาสังเกตว่าเขาจะโดนโกงบ้างเอาเปรียบบ้างเขารู้ก็ไม่ว่าตรงรี้ไม่ว่าไม่ได้ทั้งไม่สอนหรือชี้ผิดให้ผู้นั้นรู้พอผู้นั้นรู้ว่าเขารู้ ก็จะหายไปพอจะหายออกไปจากชีวิตของเขาเองอาจด้วยความละอายใจก็ได้ดิฉันเป็นเพื่อนเขามานานรู้ตัวเองว่ามีภูมิคุ้มกันพอสมควรที่นิสัยของเขาจะไม่ทำให้ดิฉันนิสัยเสียไอเสียนิสัยะจะไม่ทำให้ดิฉันเสียนิสัยซึ่งพอเขาอพอซึ่งพอเขาเป็นคนซื่อไว้ใจเพื่อนเพื่อนก็ถือโอกาส พอเขาไป็นคนซื่อไว้ใจเพื่อเพื่อนก็ถือโอกาสเอาเปรียบโกงเขาหลายครั้งเหมือนเขาเปิดโอกาสหนึ่งเล็บให้เราทําชั่วได้อหลายหลายครั้งเหมือนเขาเปิดโอกาสอลงเล็บให้เราทําชั่วได้เราก็ไม่ช่วยโอกาสและเรายิ่งเป็นเพื่อนที่ดีตอบแทนความดีของเพื่อนดิฉันคิดว่านี่คือคุณธรรมดิฉันจึงงงและสงสัยอย่างยิ่งว่าบางคนได้พบ รู้จักมีเพื่อนในวเล็บมิตรดีายดีเช่นนี้นะได้พบรู้จักมีเพื่อนคือเป็นมิตรดีใจดีเช่นนี้เพื่อนที่หวังดีเสียสละเวลาเกือบทั้งชีวิตเพื่อสอนสั่งให้เราเป็นคนดีเพื่อนที่ให้โอกาสเราทั้งทำความดีและแก้ไขตนสู่ดีเสมอเพื่อนที่แทเ้เพื่อนที่ให้เกียรติและเชื่อมั่นเราว่าจะเป็นคนดีได้ เพื่อนที่ไม่เคยดุดาหรือว่าพูดให้เราเจ็บกระกำรวงถ้าจำเป็นจริงๆก็แค่พูดอย่างเกรงใจเหลือเกินทำไมจึงมีพูดทำร้ายเพื่อนเั่นนี้ได้ลงคอด้วยความไม่ซื่อสัตย์คดโกงทำประชานิยมเพื่อสร้างฐานอำนาจให้ตนเองกับหมู่ชนที่ยังโง่จึงถูกหลอกได้ง่ายคำถามคือ ทำไมเขาจึงทําด้วยความไม่รู้เช่นนี้ทําไมเขาจึงทำด้วยความไม่รู้เช่นนี้ ม, ม, ม, นนมีคําถามข้อหนึ่งสองทำไมการทําประชานิยมจึงมีผลสูงแม้ในหมู่ที่ชื่อว่าเป็นปัญญาชนหรือผู้ที่นับได้ว่ามีภูมิธรรม อ, อแทนที่จะอ่านใจตัวเองก็ไปอ่านอะไระอะไรเรื่องของคนอื่นเนาะ แล้วก็มาสงสัยทำไมทาไมตอบเขาทำของเขาคือคำตอบจะไม่ทำไมก็ใครทำอย่างไรก็เป็นของเขาอย่างนั้น <Bliss S 1> เขาก็ทำของเขาทาไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เขาทของเขา น, น้ขใครก็ช่า ง, งเขาก็ทำของเขาไปทีนี้เราไม่ใช่ภูมิหรือไม่ใช่ตัวที่เป็นคนอย่างค้าเหตุปัจจัยของเราไม่เหมือนเขาเราก็ตรวจสอบเหตุปัจจัยของเรา แล้วก็เรียนรู้ของเราแก้ไขตัวของเรานี้จะเป็นประโยชน์กว่าไปสงสัยคนนั้นสงสัยคนนี้สงสัยคนโ น, น้นถ้าเราเข้าใจว่าเออเพราะเหตุนั้นเขาจึงเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนี้เป็นคนโ น, น้นมันก็ได้ความรู้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะมาถามอาตมาอาตมาบอกไม่ไว้หรอกเพราะว่าไอ้กรรมวิบากหรือว่าที่จะเป็นนิสัยเป็นวาสนาก็าดีเป็นอะไรใดก็ดีมันเป็นเรื่องของกรรมวิบากแล้วเป็นเรื่องของเหตุปจัจจัยที่เยอะตอบได้บ้างไม่ได้บ้าง และไม่ง่ายเพราะอาตมาไม่รู้ข้อมูลทั้งหมดครบอาตมาไม่บางอาจจะไปตอบพฤติกรรมของคนไปทั้งหมดทีเดียวว่าเพราะเหตุนั้นจึงเป็นอย่างนี้เพราะนั้นตายแล้วจะมีเหตุนั้นมีเหตุนี้เป็นอย่างนี้โอ้อาตมาไม่เก่งหรอกไม่บางอาจจริงๆนะิงตอบยากตอบไม่ได้ตรวจแต่ตัวเองนี่แหละ ว, ว่าเหตุปัจจัยอะไรมันทําให้เราเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นอกุศลนี่ว่าก็แก้ไขอันนี้เป็นกุศลเออทาให้ยิ่งขึ้นไป ก็ตรวจตรงนี้ถ้าเรารู้อันนี้แล้วเราพอเดาของคนอื่นอย่างนี้ได้แต่เราไม่สามารถรู้จริงของเขาทั้งหมดเลยเพราะตอบไปยังไงยังไงมันก็เป็นการเดาคาดแค่นีมันไม่ใช่ตอบตรงได้อัตมาจึงไม่ชอบที่จะตอบของคนอื่นเท่าไหร่นะอันนี้ถามมาก็เลยไม่กล้าตอบนยิ่งพูดมานี่ไม่รู้หมายถึงคนไหนอัตมาก็ไม่ได้สัมผัสตัวคนนั้นด้วย และหยิบมาพูดนี่มันมีกี่ส่วนในตัวจริงเขาทั้งหมดอัตมาก็ไม่รู้เพราะในตัวจริงของเขามีเหตุปัจจัยตัางเยอะตังะ้งแยะอัตมาตอบไปเท่าที่ให้เหตุเหตุผลมาแค่นี้ต่อไปอัตมาว่าผิดแน่เลยเพราะมันมีข้อมูลเท่านี้จะมาอาจจะจุดเด่นในส่วนหนึ่งในลักษณะนี้ลักษณะส่วนอื่นในคนมันจะมีมากกว่านี้เยอะนะสรุปแล้วตอบไม่ได้ าจากลูกจอมยุ่งหนึ่งถ้าเราเป็นเจ้าสำนักการแพทย์สำนักหนึ่งซึ่งไม่ชื่อเสียงในด้านการรักษาความสมดุลอีกทั้งนำหลักธรรมในพุทธศาสนามาชี้เห็นถึงต้นเหตุของความเจ็บป่วยคือกิเลสตัณหาซึ่งสอนได้ตรงจุดจึงได้รับความศรัทธาเชื่อถือมากคำถามคือคนใกล้ชิดกาลังรู้สึกว่าเราไม่ใช่คน ธรรมดาธรรมดาแล้วนคนใกล้ชิดเนี่ยรู้สึกว่าคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาแล้วเราอยู่ขั้นเทพแล้วเราเป็นผู้บรรลุแล้วในเล็บขั้นอรหันต์พวกเขากราบว่วเราอย่างสนิทใจเรามาพูดต่อให้ผู้อื่นฟังแพร่ออกไปกราบเรียนถามว่าหนึ่งเราควรอยู่เฉยๆให้ผู้ใกล้ชิดแพร่ข่าวนี้หรือควรปราบไว้ สองคนอื่นมองเราสูงส่งขนาดบรรลุแล้วเราควรเชื่อหรือตรวจตนอย่างไรเพื่อจะไม่ไหลหลงตามเพราะลาบยศสรรเสริญเป็นอันตรายอันแสบเผ็ดแม้พระคีนาศควรระวังตรวจตนอย่างไรในความรู้กับความจริงเรากำลังเรียนความรู้ เพื่อไปไปให้มันถึงความจริงความรู้นี่เป็นตัวนําเป็นมัดแล้วก็ออกไปทดสอบปฏิประพฤติพิสูจน์เพื่อให้เกิดผลว่าพิสูจน์ตามอย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ทําอย่างนี้ผลมันออกมาอย่างนี้ก็จะเจอความจริงเราก็จะได้ความจริงเพราะฉะั้นถามความรู้ความจริงทํายังไงจะไปถึงอย่างนั้นได้น่าไปถึงความรู้ความจริงอ่าเราก็เรียนรู้ แต่แลาเหตุปัจจัยแต่และเรื่องแต่และราวไปแล้วก็พิสูจน์ไปจนถึงความจริงควรได้ความรู้ความจริงส่วนเรื่องที่ถามในประเด็นนี้เห็นคนที่เขาเก่งไม่ใช่คนธรรมดาแล้วขั้นเทพบรรลุแล้วไม่ควรคนกลาบว่าอย่างสนิทแล้วก็แพร่ปลุกให้ผู้อื่ น, นรู้ต่ อ, ตอไปอถามว่าเราควรอยู่เฉยๆให้ผู้ใกล้ชิดแทะข่าวนี้ไปเรื่อยหรือว่าควรปรามไว้ จริงๆก็ควรปรามไว้แต่เพราะว่ารู้จักกันสนิทดีอะไรดีก็ควรปรามคนไว้วงอย่าไปคุยโมโออวดว่าดีอย่างเง้นสูงอย่างนี้อะไรอะไรมากมายนักนคนรานี่ให้เขามาคบให้เขามาสัมผัสแล้วให้เขาได้รู้ด้วยตนเองตัดสินเองว่าดีหรือไม่ดีสูงหรือต่ำให้เขามาตัดสินเอง เราไม่ควรจะต้องไปโฆษณาหาเสียงหรือว่าโฆษนาอะไรมากมายนักนะถ้าอย่างดีก็ว่าเออเราก็ได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็เห็นว่าดีอยากได้ก็ลองมาสัมผสัสมาอะไรดูซิมาเรียนรู้ดูบ้างไม่น่าจะไปยกยอปอบป้นเชิดชูโฆษนาโฆษณาอะไรอะไรนักหนาหรอกนะเพราะว่ามันโฆษณามันก็เท่ากับเรื่องโลกโลกต้องการหาเสียง ต้องการให้คนมาสันเสริญยินยอเท่านั้นเองนะเพราะงั้นอาตมาไม่เห็นมีความจาเป็นอะไรที่จะต้องไปทำอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านตั้งหลั ก, กเอาไว้ให้เราทำงานศาสนาหรือว่าประกาศพรหมจรรย์ น, นี้ไม่ได้ต้องการให้คนมานับถือไม่ต้องการบริวารบริวารก็หมายความว่าต้องการให้คนมาเป็นพักเป็นพวกมา ไม่ได้ต้องการแต่ถ้าเขามาเขาก็มาของเขาดีใจของเขาเองด้วยความสมัครใจเป็นความประสงค์ของเขาเราก็ไม่ได้รังเกียจผู้ที่จะมารับเอาสิ่งที่ดีๆนะแต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปอยากได้อยากเป็นอยากมีอย่างนั้นไม่จําเป็นแต่ก็ไม่ควรทาวําแต่ว่าจะอยากเลยไม่ไม่อยากแล้วทําก็ยิ่งไม่ต้องไปทําเราทํางานไปเถอะมีความจริงเท่าไหร่ก็ทำไปทางกายกับกรรมจีกรรมมโนกรรมที่เรามีความจริงแล้วก็แสดงออกไปเฉย เอแสดงออกไประมัดระวังยากอยู่อย่างหนึ่งก็เพียงว่าเราจะแสดงอย่างไรให้คนเขาเห็นชัดเจนว่าเราไม่ได้อยากโอ้อวดแต่แน่นอนคนดีก็มีแต่ความดีจะพูดก็พูดสิ่งที่ถูกที่ดีไอ้สิ่งไม่ดีก็กำลาบลงไปหรือว่าว่าด้วยว่าสิ่งไม่ดีมันก็คือยืนยันความดีอันนึงนั่นแหละว่าความไม่ดีแล้วดีมันก็ต้องเป็นอย่างหนึ่ง ก็เท่ากับยืนยันความดีอยู่นั่นเองและที่นี้พยืนยันความดีไปแล้วไอ้ความดีนั้นก็พอดีมันมาเป็นที่เราเป็นแล้วเพราะพุทธเจา้าสอนเราว่าทําคุณอันสมควรก่อนและสอนผู้อื่นจักไม่มัวหมองเราก็เป็นสิ่งที่เราสอนแล้วบรรยายแล้วประกาศแล้ววันดีมันก็มาเป็นที่เราอย่างนี้เราไม่ต้องไปจำเป็นจะต้องไปโฆษณาตัวเองมันก็เท่ากับยกตัวเองจนเขาเข้าใจว่ามันโชว์แต่ตัวเองพูด เอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นเขาก็จะพูดแต่อย่างเงี้คือมันเลี่ยงไม่ออกเลี่ยงไม่พ้นหรอกเพราะว่าเราพูดว่าดีแล้วเราจะปฏิพฤติให้มันชั่วเนี่ยมันมันคืออะไรอัตมาว่ายอมไม่เข้าว่าเราว่าอวดตัวอวดตนว่าดีก็ช่างเถอะเราเลี่ยงไม่ออกแล้วว่าเราจะต้องดีตามที่พูดแล้วเราก็ทําได้แล้วเราก็ยืนยันมันก็เป็นอยู่เป็นอยู่แล้วเราก็ยืนยันด้วยว่าเราทําอย่างนี้เป็นอย่างนี้ดีอย่างนี้ เพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจละเอียดลึกซึ้งดังที่กล่าวนี้เขาก็จะมันไสเขาก็จะบอกว่ามันคุยตัวมันโชว์ตัวมันพูดแต่ตัวดีว่ข้อภายบังเ อ, อิญมันไม่มีตัวชั่วอยู่ในตัวทําไงพูดไปมันก็เลยมีแต่ดีอยู่ในตัวข้อภายนะั่ที่พูดอย่างนี้ไม่ชูดเล่นลิ้นเล่นโวหารพูดอะไรไมน่น่า ม, มันไสอะไรดอกพูดความจริงเพราะเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องยากมากเลยที่คุณ คนฟังคนเห็นแล้วมันอดมันไส้อดระแวงไม่ได้โดยที่ไม่เข้าใจความจริงว่าเออความจริงอยนี้เนี่ยมันควรจะต้องเข้าใจให้ชัดเจนได้ไม่น่าจะมีจิตอคติหรือว่าเกิดอาการมันไส้ไม่ชอบแทนที่จะไม่ชอบถ้าคุณมีอาการอย่างนั้นนะมันปิดกั้นคุณเอง เพราะถ้าคนเขาพูดความดีถ้าคุณไม่ศรัทธาอย่างพระพุทธเจ้ามาพูดคุณเชื่อพระพุทธเจ้าคุณก็ศรัทธาเลยแต่ถ้าคุณไม่เชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้านะแล้วมาพูดอย่างพระพุทธเจ้าเลยว่าเรานี่แหละดีที่สุดไม่มีใครเทียบเราวิเศษอย่งนึ่เราพิเศษท่านกลางทั้งตรงตรงนี้ทั้งหมดเลยรับรองคุณอ้วกแตกเลยคุณอ้วกแตกเลยคุอยือออะไรว่าคุยตัวจมอะไรดีใช่ไหมแต่ถ้าคุณศรัทธาอยู่แล้วยกให้เลยก็แน่นอนคุณก็ไม่ไปว่าอะไร เพราะงั้นถ้าแปลว่าเราไปปฏิเสธสิ่งที่ดีที่เขามีดีอยู่จริงแล้วเขาก็กล่าวความดีเนะยมันก็ไปตรงกับตัวเขาแล้วเราก็ไปหมั่นไส้ซะเลยเนี่ยคุณเท่ากับคุณปิดตัวเองทําลายตัวเองหรือทำร้ายตัวเองเลยเพราะแทนที่คุณจะได้อ้อน่าศรัทธา น, น่าได้รับว่าจริงของเขาเนี่นะเขาเป็นงี้นะคุณปิดแล้วอะ่ะแล้วคุณจะได้พบไหมล่ะคุณจะได้พบไหม น่าเสีดายไหมเ น, นี่ยเป็นเรื่องที่อาตมาว่าถ้าคนคนดีคนก็เป็นนั่นก็เอาเอถอะเขาจะแสดงยังไงบางทีเขาเรียกไม่ออกจากที่อาตมาพูดมันก็จนนํานวนก็สําคัญเราก็พยายามเรียนรู้ความจริงความรู้ให้ได้ความรู้ความจริงแลได้ความจริงเราก็บอกอ๋อเขาจะรู้อันนี้นจริงมันก็จบนะเพราะงั้นอย่าไปเท่ได้ผลักใสใครเลย จริงๆแล้วแม้แต่คนชั่วเราก็ควรรับรู้เขาให้จริงให้จริงถ้าสามารถที่จะต้องเข้าไปครบคบกันได้ก็คบแต่ถ้าคบกันไม่ได้ว่าเฮเราไม่ไหวเราเราไม่มีภูมิคุ้มกันที่คบเขาแลแ other, ้วโยแย่เราก็เลี่ยงแต่ถ้าเราวเราคบกันได้คบเธอคนชั่วก็คบเธออ่าถ้าเรามีมั่นใจว่าเรามีภูมิคุ้มกันที่คบได้นะคบเลยจะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จริงๆนะ อตอบอย่างนี้แค่นี้กันแล้วกันอ่ามันจะควรจะเฉยด้วยว่าแพร่ข่าวก็ปรางคนไว้หน่อยเจ็ดแปดสองสองบอกว่าวิญญาณสัตว์วิญญาณสัตว์ที่ตายแล้วจะดิ้นรนทุกร้อนเหมือนคนไหมคะเอาคนก่อนเถอะอย่าไปรุ่มรามอยังมาตั้งถึงวิญญาณสัตว์มันตายไปแล้วมันจะตกนรกไหมเนาะแล้วกับครูคิดเสียแคลอรีน่ะเรื่องเปล่าๆน่เอาคนเถอะเอาตัวเองอ่ะ เอาตัวเองก่อนจริงมันก็เป็นความรู้รอบตัวอาตมาเคยพูดเคยบอกว่าสัตว์ทั้งหลายแหล่มันเกิดมานี่มันเกิดมาเราพิบากมันได้เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่นะมันมีอยู่สัตว์เดรัจฉามีสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือสัตว์เดรัจฉานที่มันกำลังพัฒนาตัวมันเองพัฒนาตัวมันเองขึ้นมามันยังไม่เจริญพอมันก็พัฒนาตัวมันเอง แล้วมันก็ยังไม่ได้ทําบาปมากนักมันยังไม่ได้ใช้วิบากอะไรมันก็พัฒนาเจริญมาเรื่อยๆนั่นหนึ่งสองสัตว์ใดชฉันที่มันเกิดวนเวียนหลายรอบหลายพักแล้วและมันก็มีบาปมีบุญในตัวมันจนมีบาปมันต้องไปเกิดใช่วิบากเป็นสัตว์สัตว์ทุกตัวไม่ใช่ทุกตัวเกือบทุกตัวเท่านอกจากสัตว์ที่มันเกิดพัฒนาตนเองอยู่นั่นกับสัตว์ที่มันรับวิบากนั้นก็ปล่อยให้มันรับวิบากของมัน คนอย่าไปร่วมกับมันอย่าไปร่วมอะไรไปเกี่ยวไปคล้องเช่นมันจะทำลายกันมันจะกินกันมันจะฆ่ากันมันจะอะไรกันมันเป็นวิบากของมันเราอย่าไปร่วมถ้าเราไปร่วมเราก็มีส่วนที่จะเข้าไปหาคู่วิบากเพิ่มหาคู่วิบากเพิ่มนะมันก็จะมีเกิดความรักความชังเกิดความรักความพยาบาทจาก ที่ไปร่วมกับเขาร่วมกับร่วมเขาเขาเป็นกลุ่มเลยก็ไปร่วมทั้งกลุ่มเขาสองสองตัวมันทะเลาะกันหรือมันรักกันก็ตามเราไปร่วมจะแทกอีกหนึ่งมันก็เป็นวิบากร่วมกับอีกสองสองนั้นมีรวมๆแล้วก็คือไม่วิบากรักก็ชังด้วยกันนั่นแหละมากหรือน้อยอย่างใดอย่างใดก็แล้วแต่เพราะงั้นเราไม่ควรก็วางใจปล่อยไปไม่มีความจาเป็นอะไรก็ วิบากใครวิบากมันนะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าเราไปเจองูก็เรากินเขียดโอ้เราเห็นใจเขียดก็ได้ไปแย่งเขียดออกจากงูคุณก็ร่วมวิบากกับมันแล้วกูจะกินมามาแย่งอะไรกูมันพลากอาหารปูไปทไําไมนะไอเขียดก็ม่ก็ผูกพันเราสิเพราะว่าเราช่วยชีวิตเขาอะไรเงี้ยก็มีสองอย่างอะ่ะหนึ่งชังหนึ่งรักหนึ่งชอบ ก็รวงวิบากเข้าไปด้วยแต่ละคนมีวิบากดีมากอยู่แล้วมีสัตว์โลกที่คู่วิบากนีมากอยู่แล้วอย่าเพิ่มเลยอย่าเพิ่มเลย <c oughs> อย่าเพิ่มเลยแม้แต่คนนี้เราเลี้ยงไม่ได้ต้องสัมพันธ์ไม่ช่วยก็ช่วยกันแก้ไขต้องอยู่แล้วมันก็จะมีรักมีชังกันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเท่าที่จะจาเป็นนี่จะต้องสัมพันธ์อยู่กับคนนี้ก็มากพอแล้ว เพราะฉะนั้นสมาธิพูดอย่าไปยุ่งกับสัตว์อยไปเลี้ยงสัตว์อย่าไปเอาสัตว์มาเกี่ยวมาคล้องกับคนนี่ก็เหลือแหล่ที่จะพยายามปฏิบัติตนประพฤติเพื่อที่จะให้หมดวิบากหมดบาปหมดบุญไม่ใช่น้อยอยู่แล้วนะอย่าเสียเวลามากนะถ้าคุณไม่แล้วคุณก็จะตัดอ่าตัดสิ่งที่จะต้องเป็นภาระพวกนี้ออกได้เยอะเลยเรื่องสัตว์นะจากตรัง ปรากฏการ์าวของพระที่เป็นข่าวดังอยู่ทุกวันนี้พ่อครูเห็นว่าอย่างไรครับอย่างไรบ้างครับก็เป็นเรื่องของกรรมของท่านเองกรรมของท่านทำเห็นอย่างไรอาตมาไม่ได้พยายามไม่มีเวลาพอจะไปติดตามข้อมูลอะไรจะได้อาตมาไม่เป็นนักข่าวไม่ได้เป็นนักขานน่ า, ขาวแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ที่จะต้องไปมีหน้าที่ถ้าเป็นพระที่ท่านดูแลรับผิดชอบอะไรท่าว่าไปถ้าเป็น สงสมนาของชาวโสอัตมาก็เอาภารลติดตามเรื่องราวเอาข้อมูลทําอะไรจ ะ, ะไรไปก็พอจะมีเรื่องราวรายละเอียดได้ส่วนท่านทั้งหลายแหลข้างนอกนั้นโอไกลอัตมาก็รับทราบเป็นข่าวเป็นคราวพอจะได้รู้ได้อะไรไปบ้างเพราะฉะนั้นให้อัตมาออกความเห็นนั้นอัตมาก็เห็นเท่าที่พวกคุณเห็นอะแต่ถ้าจะเอาจากความเห็นลึกๆของอัตมาเลยก็ มันเป็นธรรมดาธรรมชาติของคนนะ <_ S 1> ก็สร้างชั่วสร้างดีไปผู้สร้างชั่วก็ชั่วผู้สร้างดีคนดีแน่นอนคนที่สร้างชั่วเขาก็ต้องปิดบังนะเขาก็ต้องพยายามที่จะปิดบังพยายามที่จะไม่ให้ใครรู้สิ่งที่ชั่วก็เป็นธรรมดาไม่จะเป็นเรื่องลึกลับไม่จะเป็นเรื่องประหลาดอะไรจนคนทำดีนั้นอยากอวดจากโอเขมีไม่อยากอวดจากโอระบัดระวังก็มี ก็เป็นเรื่องธรรมดาเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคนที่มีดีจะอวดดีอาตมาก็ว่าก็ก็ยังใช้ได้อวดดีนะมีดีแล้วอวดดีอาตมาก็วันดีนะยังใช้ได้แต่คนอวดชั่วแล้วโชว์ชั่วรอคนอื่นว่าดีนี่สีมันเลวเป็นคนเลวนะอวดดีทั้งแต่ที่เป็นชั่วแล้วรอคนว่ามันดีนอ่ะฟังชัดไหมอ่ อเ น, นี้ยสิเลวไม่ได้เรื่องด้วยหรอนะมันก็บาบของเขามือนกันหรืวิบากของเขาเขาทำของใครเขาทํ า, า, าัลบัลบของเขานะทีนี้อาตมาไม่ใช่หน้าที่อาตมาก็เลยดูตามควรกร็รู้ไปตามเหตุปัจจัยว่ามันเป็ น, นอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นเป็นไปตามที่ก็รู้กันนั่นแหละจะให้ออกความเห็นอาตมาก็ก็เห็นเท่าที่เห็นแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่อะไรอาตมาก็เลยไม่ได้มีอะไรมากนะจากร้อยเอ็ดดิฉันอยู่ต่างจังหวัด กับนกกับหนูกับต้นไม้ใบผักบุ้งในวงเล็บกําลังงามในใจก็เกิดความคิดว่าจะพยายามทําให้ได้ดังที่ใฝ่ฝันอ๋ออะไรเนาะใฝ่ฝันอะไรจะพยายามทําให้ได้ดังที่ใฝ่ฝันโดยถือเอาในใจว่าเราก็เป็นลูกศิษย์พวอครูคนหนึ่งต้องทําให้ได้นี่วงเล็บตีกรอบไปเลยเราก็เป็นลูกศิษย์พ่อครูคนหนึ่งต้องทําให้ได้ทําอะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวดูสิ วงได้เปิดแต่อีกใจหนึ่งก็ยังรู้สึกว่าตนยังมีอินทรพละอ่อนอยู่เพราะเหตนนี้จึงถอยออกมาปลูกผักปลูกต้นไม้ก่อนวงได้ปิดอ๋อนี่ยังไม่เข้าใจการปฏิบัติธรรมหน้าเนี่ยความคิดที่ว่าเราก็เป็นลูกศิษย์พวอครูคนหนึ่งต้องทำให้ได้นั้นเป็นความยึดของดิฉันหรือเปล่าคะยึดมันมีสองอย่างหนึ่งยึดอุปท า, านอีก อันหน่คือยึดสมาทานยึดมีสองอย่างยึดอุปทานคือยึดอย่างอวิชชายึดอย่างไม่รู้หรือยึดอย่างมีกิเลสเข้าไปร่วมแต่ถ้ายึดอย่างสมาทานนั้นยึดอย่างมีความรู้ยึดอย่างมีปัญญาเข้าใจว่าเรายึดอันนี้คืออะไรยึดทําไมยึดไปเพื่ออะไรยึดไปแล้วแล้วเราจะเมื่อยึดแล้วเราจะทํำยังไงอย่างเราถือศีนก็คือยึดศีน เรามาเรียนรู้กับอาตมาก็มายึดอาตมาเพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้เอาไปปฏิบัติถ้าเราเข้าใจงี้คือสมาทานเรายึดศีลถือศีลแล้วเราก็รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรศีลนะปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดอธิจิตอธิปัญญาอธิวิมุตติคนก็ยึดอย่างมีปัญญานะยึดอย่างให้มันเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์อนะ ประกอบในการที่จะใช้ประพฤติปฏิบัตินั่นเรว่ายึดอย่างสมาทานไปทุ่ศีลนี่คือสมาทานคือยึดศีลเป็นหลักทํำตรงนี้ตรงนี้อย่างนี้นี่แล้วก็ปฏิบัติอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการยึดนี้คุณถามถึงเรื่องว่ายึดอัตมาอาจจะเป็นลูกศิลป์แล้วก็จะทำนี่ถือว่าเป็นความยึดถือยึดได้ยึอย่างสมาทานหรือจะไปยึดอย่างอุปาทานยึดใ น, นก้าวใจเรา ย, ยึดเพื่อที่จะเอาเป็นเครื่อง เครื่องมอองค์ประกอบที่จะช่วยให้บรนเจริญได้นะอัตมาทวงว่าคุณไปปลูกผักปลูกพืชคุณก็ได้ปฏิบัติธรรมอัตมาอธิบายอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่ในสมาชิสมากรรมมันตะทั้งนั้นให้รู้ ก, กรรมกิเลสอิริยชน์ของเราพรองกับจิตจิตมันร่วมด้วยเป็นกิเลสอย่าะไรอ่านมันทั้งนั้นเลยคุณอยู่กับต้นหมากรากไม้คุณอยู่กับลูกหมากลูกไม้คุณอยู่กับคนมันเกี่ยวมานคล้องมันก็ต้องโยงใยเกี่ยวข้องกันแล้วมันก็จะเกิดจิตเกิดกิเลสเกิดอะไร ทั้งนั้นแหละคุณก็อ่านพวกนี้คือการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นคุณถามว่าจะยึดปฏิบัติแต่ว่าเห็นว่ า, าอ้ินทรีย์อ่อนก็เลยไปอยู่กับต้นไม้ไม่ได้ปฏิบัติอย่าเข้าใจผิดอยู่ตรงไหนก็ปฏิบัติทั้งนั้นแหละะจากเอสการที่ชาวโศกพูดเพราะมีคะมีครับเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมหรือไม่เช่นผู้จัดรายการรักเรารักโลกเมื่อเช้านี้ ผู้จัดรายการรักเรารักโลกเมื่อเช้านี้เช่นเช่นอะไรพูดมีค่ามีครับหรือไม่มีเขาพูดมีครับมีค่าไหมอ่ะมีหเปล่าอ้ามีการที่ชาวโสพูดเพราะมีค่ามีครับเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมหรือไม่ทําไมมีค่ามีครับจะเกี่ยวกับปฏิบัติธรรมหรือไม่มันเป็น ภาษาที่เราจะใช้ประกอบให้มันสมเหมาะสมควรมันก็มีคัก ม, มีครับตามสมเหมาะสมควรที่จะใช้อ่าถ้ามีมันก็ดูดีถ้าไม่มีมันก็แข็งมันก็กระด้างมันไม่อ่อนน้อมถมต้นเลยเพราะฉะนั้นจะหมายจะถือว่าปฏิบัติทํามไหมไม่มีเลยก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยไม่รู้อะไรเลยภาษาแค่นี้ก็ยังไม่รู้กับเขามีคักมีครับอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างเพอสมควร ตามสมมุติตามฐานะที่ควรจะเป็นนถือว่าเป็นปฏิบัติทําให้พื้นๆเลยมีเป็นปฏิบัติธรรมจากแสงมัวน้ำแสงว่าแสงมัวทําไมอายุพุทธศาสนาของสมณาโคดมถึงสั้นนักเมื่อเทียบกับอายุพุทธศาสนาของพระเจ้าของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่มีอายุพุทธศาสนาเป็นหมื่นเป็นแสนปี หือว่าเป็นเพราะพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายทุกพระองค์ที่เกิดขึ้นก่อนเข้ากะลียุคจะต้องมีอายุพุทธศาสนาสิ้นสัน้นจะต้องมีอายุพุทธศาสนาสัน้นเช่นนี้ถูกต้องแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ที่ใกล้กะลียุคนั้นจะสัน้นศาสนาของท่านจะสัน้นอาจารมาก็เคยอธิบายเรื่องนี้มันเป็นเหตุปัจจัยของมันมันต้องเป็นเชนั้นแม้ศาสนาของพระ พุทธเจ้าองค์ที่ใกล้กลียุคจะสั้นการที่มีศาสนาสั้นอายุไม่มากไม่ยาวมีพุทธศาสนาอยู่เพียงอย่างของพุทธศาสนาพระสาณะโคดมนี้ก็เป็นที่รู้ของทั้งโบราณอาจารย์ผู้รู้ทั้งหลายแหละแม้แต่ตมาก็ก็เห็นเช่นนั้นด้วยไม่ใช่ว่าเดามันมีอะไรจะบอกไม่ได้เมื่อเห็นว่าทําไมถึงรู้ว่ามันจะเป็นเช่นนั้นว่าศาสนาพระพุทธเจ้าสมณะโคดมนี้จะมีอายุห้าพันปีก็จะหมดสิน้น ห้าพันปีนี่น้อยที่สุดละในประดาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีไปทั้งนั้ น, นาศาสนาพุทธยาวนานแต่พระพุทธเจ้าที่ใกล้กลียุคแล้วจากนี้ไปพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปที่จะมาทําศาสนาที่จะสั้นกว่าพระพุทธเจ้าสมณะโคโดมไม่มีแล้วนะไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ต่อจากนี้ไปที่จะทําให้ท่จะสร้างาศาสนาและาศาสนาของพระองค์ จะสั้นต่อของพระเจ้านี่ไ ม, ม, ม่มีแล้วนอกจากจะเป็นพัะตกับใหม่ๆอีกในวงวัฏะใหม่ที่มีพระเจ้าในวัฏัะนั้นจะมีกี่พระองค์กี่พระองค์อัตมาอธิบายไม่ไวอ้อจิมตายตรงนี้อ่ามันยากในการอธิบายเลยอัตมาก็ไม่ค่อยมั่นใจไม่อยากจะอธิบายอ่าที่คุณเข้าใจเช่นนั้นถูกแล้วน่าที่ถามมาก็มีแค่นั้นทํำไมสั้นนักก็จะทําไมแล้วมันเป็นธรรมดาที่มันสั้นมันมีเหตุผลอยู่ว่า คนมันเร็วกิเล่มันหนาเพราะฉะนั้นการทําลายคุณธรรมศาสนามันเยอะมันก็ต้องเหลือเหลือน้อยเหลือน้อยหรือหลายหรือสูญหายเร็วมันเป็นธรรมดามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะการเผยแพร่และให้คนมารับศาสนาไปได้ก็ได้น้อยได้ยากเพราะการสืบทอดหนึ่งทำลายมากสองไอต่อเชื่อก็ได้น้อยแล้วมันจะยาวได้ยังไง นะหลังศาสนาพักสมณะโคโดมูเจ้าองค์ต่อมาเกิดไม่ได้ปล่อยให้โพธิสัตว์อย่างอาตมาเนี่ยเกิดมาลาบากลำบนหนักนาสาหัสเหนื่อยลาบากได้น้อยก็ต้องทําต่อสืบทอดต้องสืบทอดศาสนาของพระพุทธเจ้าให้มันไปเต็มมันเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องธรมรมะมันเป็นเรื่องศาสนาธรรมเหมือนกันมันจะต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะซึ่งเป็นทั้งหน้าที่เป็นทั้งวิบากนะเป็นทั้งความที่จะต้องเป็นนะ มันจะต้องอย่างเงี้มันจะต้องมันต้องเป็นอย่างเงี้มันต้องบอลทูบีอ่ะมันต้องเป็นอย่างงี้มันต้องเกิดอย่างงี้มันต้องเป็นอย่างงี้อ่ะมันไม่รู้จะว่าไงเนาะมันต้องเป็นอย่างนั้นจากกทมลูกสาวเป็นทอมจะแก้อย่างไรครับแม่อตมาเองอตมาไม่เก่งนะไม่เก่งเลยในเรื่องนี้จะแก้ยังไง มีเรื่องเดียวที่อธิมาตอบได้ก็ปั้นทุบดินมาปฏิบัติธรรมเท่านั้นเนี่จะเป็นลูกสาวก็ตามจะเป็นลูกชายเป็นดี้ลูกชายเป็นดี้ใช่ไหมเป็นตุ๊ดอธิมาก็ไม่เคยเก่งเรื่องนี้เนาะเป็นตุ๊ดอ่ะแล้วผู้หญิงที่เป็นอะไรเป็นดี้เป็นตอมเป็นดี้อ๋อเป็นดี้นี่เป็นเชิงผู้หญิงเอ่ะมันเป็นอ๋อเป็นเชิงผู้ชายอ๋อ มันหลากหลายเนอะอัตมาก็ยังไม่รู้ว่าเกย์คิงเกยครีนมันคืออย่างไงอัตมาก็ยังไม่เคยเข้าใจถนัดนักเลยมันอะไรยังไงก็ไม่รู้อัตมาก็เลยเออเอาเถอะอัตมาไม่ได้ลงไปช่วยคนถึงขนาดนั้นก็ไม่เคยเข้าใจก็ไม่เป็นไรก็เลยไม่ใช่ไม่เสียเวลาเท่าไหร่อัตมาตอบไม่ได้หรอกนะว่าลูกสาวไปทำจะแก้ยังไงก็ตอบกัะบาดทุบดิ้งอย่างเดียวว่าก็ภาคเพียนตอบก็ให้เขาใส่ใจธรรมะเพราะธรรมะนี่จะเข้าไปแก้ถึงจิตจิมญาน การที่จะเป็นอะไรขึ้นไปเนี่ยมันโรคของทางจิตจิตวิญญาณเป็นกเทยเป็นคนที่ผิดเพศวิดฐานไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณลาสมาก็เคยพูดเรื่องกระเทยหรือว่าเรื่องที่ผิดเพศเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่เกินธรรมชาติเพราะฉะนั้นคนที่เป็นกระเทยเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่ให้มาบวชเป็นกระเทยมันก็มีกระเทยแท้กับกระเทยเทียม กระเธอเชียงก็คือมันวุ่ว่าไปกับคนเขาไปกับสังคมก็เล็กน้อยมันก็แก้ไขได้เปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้ากระเทยแท้เนี่ยพระเจ้าจะถือว่ามันต้องข้ามเป็นชาติเพราะมันข้ามธรรมชาติไปแล้วธรรมชาติเรื่องเพศผู้หญิงผู้ชายมันก็ผู้หญิงผู้ชายไอ้นี่มันผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายอย่างนี้มันข้ามเพศไปแล้วมันวิถีฐานมันผิดธรรมชาติคือกามมันจัดจ้าน การนี่คือการเสพรถสัมผัสเสียดสีกรรมนี่คือเสพรถสัมผัสเยดสีเพราะฉะนั้นแม่เป็นบุคคลบวกคู่ลบหรือเพศผู้เพศเมียมันก็จะผัสเศษสีกันเดรดชานสับทั้งหลายแหล่ก็เหมือนกันแม้แต่พืชมันยังนับเป็นตัวผู้ตัวเมียมันเป็นธรรมดาธรรมชาติเพราะใครที่ไปติดรถของการสัมผัสเสียดสีที่มันไม่ใช่เรื่องเพศ มันผิดเพศแล้วมันผิดธรรมชาติมันผิดธรรมดาแล้วจิตมันหลงไหลเลื่อไปติดกิเลสหนักกิเลสอยากกิเลสหนาพระพุทเจ้าเธอว่ามันข้ามขอบของสามัญสามัญธรรมดาคนธรรมชาติมันเกินธรรมชาติไปแล้วแต่ไม่ใช่โลกุตระนะมันข้ามไปอีกขอบหนึงแต่จะมันรู้จักธรรมดาสามัญไปเป็นโลกุตระก็ยากแสนยากอันนี้ชั้นเดียวกันมันเกินโอเขคจะให้มันขึ้นมาเป็น ปุจตชนธรรมดามันก็ยากแสนยากเหมือนกันเพราะน้าจะไปเสียเวลาอยู่กันกรอบเราสามันปุตุชนให้ขึ้นเป็นโลกุตระก็ยากแสนยากแล้วยังจะไปเอาไอ้คนที่ต่ําก็บปุตุชนให้มันกลับเอาแค่เป็นปุตตชนแล้วถึงจะไปเป็นโลกุตระโอ้ไม่ไหวพระเจ้าทึงนบอกว่าแม้รู้ว่ามาบวชเป็นทกเถิก็ต้องจบศึกให้ศึกไปเสียยาเลยสเสียเวลาเอาแต่คนสามันนี่ที่ไม่มีความวิถฐานไม่มีการเกินขอบเขตนี่ ก็ไม่ไหวแล้วทำได้มากแค่ไหนละยิ่งยุกใกล้กะลียุกนียิ่งโอ้โหไม่ได้เลยก็จึงผ่านต้องผ่านนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าศาสนาพุทธจะอยู่ได้ห้าพันปีหลวงปู่คิดว่าเวลานี้สั้นหรือยาวคะเอา้าก็มันตอนนี้สองพันห้าร้อห้าสิบหกะ2อ5 6ห้ารอสิบกก็เข้าใจทุตัวไปนะครึง่งนอะ่า ขึ้นศาสนา 2,500 2,600 ก็ไปอีกแต่บอกว่าคิดว่าเวลานี้สั้นหรือยาวมันก็เหลือครึ่งนึงประมาณนั้น่ง่ายๆไม่เปี้ยๆทีเดียวมันก็ขนาดนั้นก็ตอบแค่นี้กันแล้วกันเพราะว่าถามก็ไม่รู้เหตุอะไรเท่าไหร่ต้องการรู้อะไรมากนักเด็กสอสออเด็กสมาธิขาสติส่งนี่เองชายภูมิ การที่อาจารย์มิสุโอกท่านศึกเพราะพบเนื้อคู่จริงไหมคะสงสัยไอเรื่องเนื้อคู่มีจริงหรอคะตอบผู้ที่มีสมาธิิแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้ามีคู่เดียว่าขออภาัายใช้ภาษาโลกโล ก, ก็แล้วกันเนื้อคู่นางคู่กระดูกคู่พระพุทธเจ้ามีพระนางพิมพาเป็นเนื้อคู่นางคู่กระดูกคู่ท่านยังต้องพลาดต้องทิ้ง ขณะพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะมาจำนวนบอกว่ามันคู่คู่บา ร, รมีคู่จะต้องศึกไปมีคู่กลับเข้าไปเพราะว่าเราคู่เก่าคู่บุเพเก่าพูดขัดแย้งกันที่จะต้องเลิกละนาใครปลดปล่อยเป็นคำแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้นใช้ไม่ได้แพ้กิเลสก็ตอบมาเสีดี ไม่ต้องไปอ้างอิงว่าคู่เก่าคู่ใหม่อะไรหรอกเพราะไม่มีใครรู้จริงตามคุณหรอกโอแกคไปย่างนั้นเองจะคู่เก่าหรือคู่ใหม่ยิ่งคู่เก่านั่นแหละยิ่งต้องพยายามละเพราะมันมีเนื้อผูกไว้เยอะอยู่แล้วด้วยไอ้คู่ใหม่มันยังจะแก้ง่ายใช่ไหมไอ้คู่เก่าะนั่นแหละยิ่งพยายามละเพราะมันจะต้องละเป็นที่สุดเนี่ยถ้าจะไปทางนิพพานอย่ามาแก้ตัวจะให้เหม็นขี้ฝัน าจากนครศรีธรรมราชพ่อจันเคยพูดว่าการฆ่าชีวิตสัตว์อื่นเหมือนฆ่าตัวเองหมายความว่าอย่างไรครับเอกอัตมาพูดแล้วเคยพูดแล้วว่าฆ่าชีวิตสัตว์อื่นเหมือนฆ่าเหมือนฆ่าตัวเองอัตมาจําไม่ได้แล้ ว, ว่าได้พูดอย่างนี้หรือไม่แต่จะจะให้เอาความหมาย การฆ่าชีวิตสัตว์อื่นเหมือนกับฆ่าตัวเองมันก็คือการทำบาปทำลายชีวิตมันก็บาปศาสนาพุทธนี่ไม่ได้ให้ละเว้นแม้ชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์อะไรไม่ละเว้นสัตว์จัดทุกชนิดอย่าไปทำให้เขาตกล่วงอยาให้เขาขาดชีวิตปานาปานะตกล่วงจากชีวิตอยากให้เขาตกล่วงไม่ละเว้นอ้างอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้น อ้างว่าเข้ามาทํำร้ายเราเราก็ต้องฆ่าเขาซะ ก, ก่อนเดี๋ยวเขาจะทําร้ายเราก็ไม่ได้อ้างว่าตกเอามาทําเป็นอาหารเพื่อจะต่อชี้เราก็ไม่ได้ไม่อ้างอะไรทั้งนั้นเลยศัตรูก็ต้องหนีอย่างเดียวหนีไม่ได้ก็ยอมให้เขาฆ่าอย่างที่พระเจ้าท่านจัดกับพระอนนท์ถามพระอนนท์ว่าอ่ถ า, า, ถ, าอถ้าเขาจะอะไรถ้าเขาจะอะไรไม่รู้อาตมาจำไม่ได้แล้วถ้าเขาจะ อะไรจะ ด, ดาอก็ถือซะว่าดีเขาไม่ตบตีแต่เขาตบตีดีเพราถ้าเขาไม่เอาอะไรพลาดไปนี่เป็นบาดแผลหรืออะไรมนุษย์อมตะมาจําไม่ได้นะนคือมันหนักขึ้นๆเรื่ยอยๆอ่ะถ้าไม่ทําให้ถึงเป็นบาแดแผลดีเขาไม่ได้ตัดแขนขาขาดตัดแขนขาขาดดีเขาไม่ทําให้ตายอะไรเงี้ยอะาอ่า ก็ก็เป็นอย่างนั้นนะครัุณเจ้าท่านตรัสท่านสอนสรุปแล้วก็คือเรามาชีวิตชาตินี้เรามาล้างวิบากเพราะฉะั้เราไม่สร้างวิบากใหม่หรอกเราจะไปตอบโต้อะไรใครๆไม่ต้องหลบเลี่ยงเอาสุดวิบากก็เหมือนพระโมคคัลลานะให้เขาฆ่าจนตายพระโมคคัลลานะเขาฆ่าจนต้องโตท่านเองท่านฆ่าแล้วท่านจะทำตัวเองกลับฟื้นคืนชีพก็ได้จนสุดท้ายต้องตรวจตัวเองว่าเออมันเรื่องอะไรนี่เราทําไมมันไม่พ้นไม่หลุดไม่พ้นไม่หลอดทั้งที ใช้วิบากไปก็เยอะแล้วไม่รอดทั้งทีสุดท้ายนึกว่าโอโหกรรมท่านหนักกว่านั้นต้องตายทั้งจานนี้มันยังไงยังไงก็ต้องให้เขาข้าฆ่าท่านก็เลยต้องจบให้เขาข้าฆ่าจนได้สุดท้ายก็ตายเพราะคนเขาฆ่าวิบากมันเพขาจะฆ่ า, าทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งอมหิตเนะี่ยฆ่าทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งอมหิตเลยมันอนันตรีกรรมทับซ้อนนะเพราะงั้น คนเราอย่าไปสร้างวิบากพวกนี้เพิ่มเติมไอ้เรื่องเกิดเรื่องตายเนะมันเรื่องเล็กะเรื่องคิดพงจากกทมพี่สาวโกงมรดกอ่าทําให้จิตใจแค้นพี่สาวเมื่อเห็นเขาเขาผมจะโกรธอยู่ข้างข้างใจผมจะโกรธอยู่ข้างใจมันทุกคนจะไปข้างในนะอ่าจะโกรธอยู่ข้างใจทําให้ใจสัส่น คงข้างในเนาะจะโกรอยู่ข้างในทำให้ใจสัน่นผมอยากจะให้อาการนี้ออกจากใจผมพยายามแล้วยังโกรธอยู่หัวใจเต้นแรงจะแก้อย่างไรครับก็ต้องพิจารณาต้องพยายามพิจารณาให้เห็นความจริงว่าไอ้โกรธนะมันอร่อยนักเรยมันเป็นรสชาติอร่อยหรือไงหรือ ว, ว่าคุณมาสกิสมาสคิสหมายความว่าถ้าเรามีความรุนแรงในตัวเองนี่นะ ถ้าได้ตัวเองได้รับความรุนแรงรุนแรงในตัวเองเนี่ยมันมันดีมันแซดดีมันอร่อยดีเนี่พวกมารสคิสส่วนพวกซาดิสเห็นคนอื่นเข้ารุนแรงเขาเจ็บปวดเขาลายเขาเจ็บเป็นคนชอบคนคนชกมวยอ้าซาดิสมันแตกเลยอือหึงอะไรชอบหนังบูแหลกล้านอือหึงมันดีพวกนี้สร้างความซาดิสใจแก่ตัวเองตลอดเวลา แต่ยิ่งหนักเข้ามันก็จะมาเจ็บที่ตัวเองรับผชอบถ้าเพราะว่าคุณพิจารณาเห็นว่าไอ้ความร้อนความแรงความร้ายอยู่ในจิตเต่าเนี่ยมันไม่ดีมันทุกข์มันทรมานคุณก็พิจารณาออกแล้วถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วคุณก็จะไปเลือมมันไว้สมัยมันจะคลายออกคลายออกแล้วคุณก็เห็นความคลายออกว่าเอ้อมันเบามันสบายเห็นผลที่มันไม่ต้องมีอาการโกรธโลภที่มันเบาสบายคลาย เห็นปัญญาองคุณจะเข้าใจอย่างนี้เรื่องความเข้าใจนี่แหละมันจะล า, ลายลายหรือสลายไอ้โลกกฎลงออกไปนี่เรียกว่าวิปัสนาญาณญาณที่เห็นมุลจิตุกมตามยตยานอ่าไม่ใช่คุณจิตตุนี่มันจะจบอุทธยพย า, ยานุปัสนาญาณพังคานุปัสนาญาณพยตุปัทานญาณพุณิยาณพรงนี้มันจะเกิดฉลาดเกิดความรอบรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นที่นี่คุณสมบัติตามที่อาจารมาเอามาอธิบายสู่ฝั่งใน ตนมันจะมีคุณลักษณะแบบนั้นจริงๆมันเป็นพลังของปัญญาเป็นพลังของปัญญาที่มันทำลายอากัศรจิตทํทำลายตัวกิเลสทำลายไปเลยมันเป็นไฟชาญมันเผามันละลายราคาไฟราคาไฟโทรศัออกไปออกไปเลยมันต้องหัดพิจารณาจนให้เกิดกาลังของปัญญานั้นมันสลายสิ่งเหล่านี้ได้แต่มันจริง กฎาคมมันก็เบียดไปเบีมาแต่สลายด้วยปัญญาแล้วมันละลายไปเรี่ยละลายดับหมดแล้วและคุณหนึ่งต้องเห็นว่ามันละลายได้สองดูว่าถ้ามันละลายออกแล้วมันสงบมันพ้นมันดีอย่างไรและคุณก็จะอ๋อมั่นใจอ๋อมันดีมันว่างมันสบายมันเบามันลดพ้นภาระมันคือมันจะปัญญามันจะซับซ้อนมันจะเห็นชัดเจนแล้วมันก็จะเป็นได้ แล้วก็ผลที่ดีมันก็เป็นหน้าทิศทางที่มันลดละอาการกิเลสไม่จะสมกิเลสแล้วก็ดีใจสมกิเลสก็ดิ่งกิเลสพองกิเลสโตกิเลสหนาะแล้วก็ชอบใจชอบใจไอ้ยังงั้นคุณไม่มีวันบรรลุไม่มีวันหมดกิเลสเหรอกนะก็ให้เข้าใจทิศทางให้ถูกแล้วมันจะหมดอ่ะเวลาจะหมดแล้วเร็ ว, รวมีอยู่สามแผ่นนั่นองกนิถากายคือกายธรรมที่ละเอียดมากใช่ไหมกาย ตั้งใจฟังตอนนี้อาตมากําลังอธิบายเรื่องนี้อยู่อย่างมากเลยแล้วก็เห็นว่ามีความสําคัญที่จะต้องเข้าใจคําว่ากายยะกายเนี่ยกายคือกายธรรมคุณเอาธรรมะเข้ามาผสมกับคากายยะธรรมะไปว่าปรงไว้มันมันมันมั น, มนภาษาเดียวกันกายกับกายธรรมสิ่งที่สรงไว้ด้วยองค์ประชุมเกว่ากายอที่ละเอียดมากใช่ไหมมีทั้งตัณฑ์ยาและละเอียดที่อยู่ในองค์ประชุม ตอบแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันตามฟังดีๆเพราะเรื่องนี้ลึกซึ้งมากคนเข้าใจกายยังไม่ได้นี่แหละจึงไม่สามารถรู้ความเป็นสัตว์จัตวาฏก้านี่ท่านขยายความเรื่องกายนี่แหละและมีสัญญากำหนดรูปกายอย่างนั้นอย่างนี้เทวตามาพยายามห า, าโภหารหาภาษาหาเหตุผลหาหลักฐานมันยืนยันอธิบายอยู่ตอนนี้ถ้าไม่เช่นนั้นตดพ้นความเป็นสัตว์พ้นสังโยชน์ไม่ได้ไม่บรรลุหรอก นะสำคัญมากจากห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดคนที่ฝึกปฏิบัติธรรมแต่ไม่บรรลุธรรม ใ, ใดๆแต่ได้เพียงพยายามข่มฝืนกับคนที่ตามสบายทาตามสบายตายไปแล้วเขาก็จะทุกข์ทรมานอึดอัดดันข่มฝืนหรือเปล่าครับคนที่บอกว่าตัวเองปล่อยตัวตามสบายๆเนั่นนะ กิเลสจะหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นเพราะตายแล้วกิเลสหนาเนี่ยพอตายแล้วมันไม่มีทวารมันไม่มีพบมีแดนให้คุณดิน้นแแว้งหามมาสัมผัสเสพได้คนนั้นแม้จะรู้สึกสุขตามสบายก็จะต้องเสพสบายจากทวารห้านี่แหละตายไปแล้วไม่มีทวารห้า ไอ้ที่อยากสสบายนะมันไม่มีอะไรแล้วที่จะเป็นเครื่องอลังการองค์ประกอบที่จะช่วยคุณสบายได้คุณจะดิ้นมากเลยเพราะว่าคุณได้บำเร็ตัวเองสบายๆไปเรื่อยๆพอตายแล้วเนี่ยนรกตัวเดียวเลยเพราะคุณจะดิน้นโดยมันไม่มีให้คุณตายแล้วมันไม่มีให้มันก็นรกดิ้นดีๆนี่เองแล้วยังไม่รู้หรอกว่าคนตายแล้วแล้วคุณจะดิ้นไปทาไม คุณจะไม่รู้ตัวหรอกคุณก็ดิ้นไปโดยที่คุณก็จะมืดไปนูน่นนั่นละกี่กับกี่กันก็ไม่รู้ร้อยปีห้าร้อยปีพันปีหมื่นปีมันไม่ได้รู้ได้ไง่ายๆเลยมันไม่เหมือนกับคนเป็นเป็นนี่มันดิ้นมามันก็หลุดออกมาสู่ทวารตาหูจมูกดิ้นกายนะไอเน่ยมันมีทางดิ้นออกอะไรเลยนะลองฟังจะแค่เหตุผลแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วนะพรายามพยายามปฏิบัติถ้าจะอดข่มฟืนมันก็ ได้ช่วงช่วงระยะหนึ่งตายไปแล้วมันก็ช่วยคมได้เหมือนกันพอหมดอํานาจคมมันก็ขับมาอย่างเดิมมันไม่ได้ลางเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าแล้วคมกับปล่อยตัวตามสบายอะไรดีกว่ากันอาจจะมาตอบไม่ได้บอกไม่ได้ว่าอะไรดีกว่ากันมันไม่ถูกต้องทั้งคู่อย่าไปทำทั้งสองอย่างแก้ไขทั้งสองอย่างนะ จากนนบุรีพ่อครูครเวลาเราไปอยู่กับหมู่กลุ่มชาวโสกก็ดูจะทําได้เป็นไปด้วยดีแต่พอกลับไปอยู่บ้านเองทําไมไม่ค่อยจะชนะกิเลสเลยล่ะคะไปเพราะอะไรคะนี่แหละหมู่ดีมิตร ด, ดีสหายดีสิ่งแวดล้อมดีมันเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าก็ตรัสอยู่อัตมากรรมย้ำอยู่แล้วมันจริงอันนี้นะอะ่ใครมาก็จะปฏิเสธยากมันจริงอ่า เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครก็ตามสามารถที่จะรู้ตัวเองได้ว่าคุณธรรมพื้นฐานของชาวโงกนี่มีเนื่งศีลห้าสองละอบายมุขยาเอาอบายมุขยาเป็นมีอบายมุขต้องละเว้นอบายมุขสามไม่กินเนื้อสัตว์สามอย่างนี้นะ่ะมันไม่ได้ยากได้เย็นอะไรเท่าไหร่ถ้าใครคิดว่าอยู่ได้มาเลยมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเนี่ยแล้วเขาก็จะช่วยคุณไปจะพาให้คุณทําได้ใน ท, ที่คุณพูด เรื่องนี้จริงแต่ทุกคนไม่มาคุณไปอยู่ทางโน้นนะเฮอมันยากมันยากที่จะพัฒนาตนเองยากจริงๆนะพูดไปแล้วนี่ไม่ได้หมายความว่าอาจจะมาพูดเพื่อที่จะอ่อยล่อให้มานะถ้าใครเห็นจริงแล้วเชิญยินดีต้อนรับแนะตัวเองก็จะต้องสามารถทำได้นะพื้นฐานถ้าต่มก็พื้นฐา น, า น, ฐานคุณก็ถูกเขาขัดกราเองเขาขัดกราทนไม่ไหวคุณก็จะต้องกลับ หนีออกไปแต่ถ้าคุณทนไว้ก็อยู่ได้น ะ, ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงต่านี้เจริญทําทุกคน